ดารนพ ร, น ท, นพ ท, รนพ ท, ท่านสาธุชนพุทธบุตสัตวผู้ฝ่ายท่านทุกท่านวันนี้ก็เป็นีกวันหนึ่งที่เรามาร่วมกันสนทนาถามตอบคำถามใครสนใจก็เชิญเข้ามาสนทนาถามตอบกันได้ในวันนี้คุณบอยทางเฟซบุ๊กยังไม่ไลฟ์ยังไม่สดใช่ไหมเดี๋ยวนะเดี๋นะํนาลังดูอยู่ขึ้นขึ้นมาแล้วครับอ า, าจานย์ 5 <57 S 2> ้าสิบเจ็ดคนแล้วครับมันมี้องมามันไม่ขึ้นขึ้นขึ้นเรียบร้อยแล้วครับกวันนี้ไปที่ใครก่อนวันนี้คุณสาธกาเชิญคุณสาธกาอาจารย์วันนี้มาฟังธรรมค่ะอาจารย์ไม่มีอะไรค่ะปฏิบัติทุกวันค่ะอคุณจะเนตันเจที การมาสการ์พระอาจารย์ครับวันนี้มารายงานการนั่งสมาธิครับเป็นยังไงบ้างก็คือใช้เทคนิคการลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทครับนั่งได้ยี่สิบนาทีครับโอเงมากมีความสุขไหมมีความสุขครับอ่ารู้สึกใจเบาขึ้นไหมเย็นขึ้นไหมครับ น่าเกิดความอยากจะนั่งเลยไปเรื่อยๆไหมก็ยอย่างนั่งอยู่หรือว่าทุการจะนั่งใลเหมือนถูกบังคับให้นั่งเหรอก็ไม่ถูกบังคับเคาก็มาก็มาตามเวลาครับแล้วไม่มีครับที่ไม่อยากจะนั่งไว้เหมือนบังคับตัวเองเหรอก็ตัวบังคับครับแต่เวลาที่มีความคิดนะครับก็จะหายใจเข้าออกแรงๆครับแ่บ เกับตอนจะไปเล่นเกมแ้เวลามันมนั่งสมาธินี่เ ห, นนะเหมือนกันไหมความรู้สึกเหมือนกันไคมทำอยากทำเหมือนกันหรอปล่าไม่เหมือนเลยคไม่เหมือนเนะ่นยพยายามเวลาเล่นเกมนี่รู้สึกง่ายกว่าใช่ไหมครับเวลาเล่นนั่งสมาธินี่ต้องรู้สึกเหมือนกำลจะต้องแบกของหนักอะไรนี่ใช่้หมครับไม่เคียงนครับ แต่ก็จะพยายามทํำไปเรื่อยๆใช่ไับทําไปทุกค่อกทุกวันแล้วอย่าให้ขาดครับทําตอนไหนตอนก่อนนอนนะก่อนนอนครับเดี๋ยวดีนอนกี่ทุ่มนะถ้าช่วงนี้ก็นอนสองทุ่มแถวนี้สองทุ่มครึ่งครับ ก, ก่อนนอนก็สองทุ่มก็นั่งก่อนนะครับ กางวันก็หนึ่งทุ่งถึงเนี yeah. มันต้องไปโรงเรียนแต่เช้าเลยครับเขาทำใน บ, บ้านเสนร็จ hmm. okay. มาแล้วครับโอเคมีอะไรก็ถามได้ไม่มีนะไม่มี้ครับไม่มีนะมีก็รย่ายนี้ไม่ต้องสดวดวนนี้ยังนั่งได้เลยใช่ไหมครับก็ <Okay. S 2> ก็ยังสวดมันตามปกติครับ แต่ไม่ต้องตรวส่วนเอดีเอชว่าห้าสิบห้าไม่ต้องใชไหมไม่ต้องนะครับโอเคท่านใดกลาวท่านนี้ก่อนนะครับกลาวขอบผู้คุณพระอาจารย์ครับท่านต่อไปคุณหมอพี่เชษฐ์คุณหมอกล่าวนักสการพระอาจารย์ครับโยมได้อ่านคำสอนของพระอาจารย์ใน Facebook ได้กล่าวว่ามีอยู่4สิ่งที่ เราสามารถเอาใจและสติไปผูกไว้คือกายแวทนาจิตธรรมขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยอธิบายด้วยครับอก็คือปกติใจเรามันจะไปผูกไว้กับลาภยศสรรเสริญสุขเจริญนะหาเงินหาทองอยากน่อยาก้วยอยากได้ยศแทนรัตนนี้กับเราล้วการเลยก็กำลังคิดถึงเรื่องอะไร จิเขาก็อยู่กับเรื่องราบยศธารเสนเรื่องตรงเรืตั้งอะไรกันนะอันนี้เป็นการไปตั้งจิตให้บนกองไฟพเพราพวกเครื่องเองหล่านี้มันเป็นเหมือนไฟมันทาให้ใจร้อนใครไปยุ่งกับราบุศธารเสรินสุขแล้วใจมันจะร้อนสุขนี่ก็หมายถึงสุขทางตาหูจหมูก น, น้งกายเพาพวกของู้วกนี้มันไม่เทีย่ยง ทาให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาความทุกข์ต่างๆตามมาต่หรับผู้ที่ต้องการให้จิตมีความสุขพระเจาสอนว่าให้เอาจิตไปตั้งไว้บนบนธรรมก่อนธรรมก็คือสติธรรมให้มีสติก็แสติโดยการให อยู่กับคําบริกรรมพุโทโธพุธโทโธเออถ้รยังไม่ได้สวนถ้ายัางไม่ได้ปฏิบัติก็แบบที่ทำํำไปก็สวดมนต์กันไหอาพระสวดมนต์ควาเทศความธรรมหนะึ่งให้จิตตั้งอยู่บนธรรมให้อยู่กับธรรมแล้วธรรมจะนําจิตไปสูคส่ความสงบความสุขเพราะว่าธรรมเป็นของเงยน็น ทํำจะทําให้จิตใจเย็นสบายปราศจากความทุกข์ต่างๆเก็ให้ฝึกจิตให้อยู่กับทรามท่านต้องให้อยู่กับสติธรรมก่สติธรรมก็ทา่านาาจะใช้ร่างกายก็ตั้งสติอยู่ที่การเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้เรียกว่ากายแลกตาสตินท่านตอนนี้เราต้องการฝึกให้จิตในสติมา เจ็ดสามารถก็กลมกลับคิดปรุงแต่ให้ได้ให้หยุดได้ได้ด้วยการบังคับให้มันอยู่กับการเคลื่อนไวหวต่างๆของร่างกายเวยลากายจะทำอะไรจิตต้องเฝ้าอยู่ตลอดเวลาไม่ให้ไม่ให้ขาดสายตาไปเลยไม่ให้ผไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับกายระทำต่างๆของร่างกาย ให้สติมันต่อเนี่ยไม่้มันเผลอแล้วพอมีสติดีก็ลองมนั่งสมาธิดูนั่งไปใช้อานาปนานสติดูลมหายใจเข้าออกอันนี้แต่กรณีผู้ที่ใช้การดูร่างกายเป็นการพัฒนาสตินะครเอาเวลานั่งสมาธิก็ดูลมหายใจเข้าออกแต่สาหรับท่านที่ชอบใช้พุโทโธ เป็นการตั้งสติอาจจะเติมมาลืมตามาพุโทโธพุโทโธไม่ว่าจะทําอะไรก็พุโทโธไปไม่ให้ใจไปเข้มงวดพอเวลามานั่งสมาธิก็ให้นั่งพุทโธ ต, ตอบก็ได้แต่บางท่านก็เอามารวมกับลมก็ได้ดูลมแล้วก็พุโทโธไปด้วยก็ได้พุทเข้าทรธอันนี้ไม่ไม่จําเป็นจะต้องทําแบบนี้แบบเดียว ดูรวมอย่างเดียวก็ได้พูดททรอย่างเดียวก็ได้หรือจะพูดเข้าโทรออกก็ได้หน้าแต่ความสมาบัติได้หน้าแต่ความถนัดทำได้ไหมทาให้จิตสงบได้จิตไม่คิดจิตไม่บูงแตกก็เอาแบบนั้นไปถ้าจิตมีสติต่ตอนนี้ไม่ขาดสายภายในห้านาทีสิบนาทีจิตก็รวบเข้าสู่สมาธิได้ เอาจิตเข้าสสมาธิกันจะพบกับความสมบความวิ่งความสุขที่เีนยวกับความสุขทั้งปวงแล้วก็มีโอเบคาด้วยใจเป็นกลางใจกราศจากความรักชังปวงมีขั้นตอนของการปฏิบัติเพื่อให้ใจได้พบกับความสุขขันแรกเอาสุขที่เกิดจากสมาธิตอนนั้น ได้ฝึกสมาธิฝึกสติจนชำนาญสามารถเข้าออกสมาธิได้ตลอดเวลาที่ต้องการต่อไปเวลาออกจากสมาธิมาก็ามาเจริญปัญญาเพื่อตัดความทุกข์ที่เกิดจากการไปหลงยึดติดกับร่างกายเวทนาจิตว่าเป็นตัวเราของเราความจริงว่ากายเวทนาจิตนี้เป็นสภาวะธรรมเป็นธรรมชาติเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช้นใจเนี่ยแต่มามาอาศัยนี่อยู่อาศัยร่างกายโดยใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเสพความสุขต่างๆา ม, มันจะบวนิ้วกายแต่หลังจากใช้ปัญญาพิจารณาแม่หรือว่าการใช้ร่างกายก า, ารท้าความสุขต่างๆา ม, มันจะบวนิ้วกายที่มันจะนําไปสู่ความทุกข์เพราะร่างกายมันก็ไม่เทียมลู ก, สกเสียงกินวัตถิ์เสพก็ไม่เทียม เวลาได้เสกก็สุขเวลาไม่ได้เสกก็ทุกข์นะก็มาตัดความอยากการเสกตัดความไปยึดไปติดร่างกายเพราะถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ต้องการเสกถ้ารูปเสียงกิ่นแล้วเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องมีร่างกายก็ได้เราก็มาพิจารณาดูให้เห็นว่าร่างกายนี้ก็เป็นตายรัไม่เที่ยมมันจะให้มันเที่ยมไม่ได้ ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติการการทํางานของดิ น, นงามลมไฝประสมกันลงมาทําให้เกิดอาการสาหัสๆขึ้นมากาแก่เจ็บตายถ้ารูวไม่ใช้ตัวเราแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้ก็อยากไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะไม่ชุก ที่ทุกกันก็เพราะไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายเพราะว่าส่วนหนึ่งไม่อยากจะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสับดาลว่าจะมีร่ากายแต่ถ้าใช้ปัญญาพิจารณาว่ควรจะตัดความอยากที่จะเสียงรูปเสียงเกิดนั้นล ะ, ละการว่นตนาตัญหาถ้าละได้การที่จะไปมีร่างกายก็ไม่จับ แต่จะให้หมดก็ต้องพิจารณาอสุภาะด้วยอสุภาะก็เป็นรูปที่จิตชอบจิตชอบได้รูปได้ร่ า, างกายของเหมือนมาเป็นคู่ครองก็เราเห็นมาร่างกายมัวไมสวยงามมีอาการ 3.2 เวลาตายไปก็เป็นชาบศพก็ตัดการมาราการการวัตถหา ก็หยุดพึ่งร่างกายเป็นเครื่องมือแต่ถ้าลารา่างกาย ไ, ได้ถึงขัน้นนี้ใจก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่ต้องมีร่างกายอีกถึขั้นที่สามว่านาคามีเลยแต่ก่อนจะไปถึงขั้นที่สามได้ก็นอกจากก็ต้องปล่อยต้องอยอมละร่างาากายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มันต้องแอะเจ็บตายเวลาเจ็บก็ต้องฝึกให้เจ็บปล่อยวางความเจ็บไม่ไปกลัวความเจ็บไม่ไปอยากให้ความเจ็บหายไปมาห้ามมันไม่ได้นี่ก็พิจารณาเวทนาพิจารณาร่างกายสองอย่างนี้ให้ เ, เจ็บได้ปล่อยวางร่างกายได้อย่างสมบูรณ์ กาจะบรรลุขันพระ อ, อนาคามีได้อนาคามีไม่ต้องมีรา่างกายอยู่แบบไม่ต้องอาศัยรา่างกายแต่ยังอาศัยอารมณ์คือความสงมบของจิตอยู่ก็รทำมาเป็นใจในอารมณ์ความสงบของจิตก็ไม่เทีย ม, มเพราะจิตมันก็สลับไปสลับมาเดีย๋ยวก็หมุนจิตลําคาญใจเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวมาเสียใจน ก็ต้องลนะความอยากที่อ้ายจิตมันสวบรูตรงวิจนานจะสวบมก็สมมกันไม่สวบก็ก็ต้องยอมรับสภาพไปมันก็ยอมรับสภาพของร่างกายมันแก่มันเจ็บมันตายจิตก็มีอารมณ์ 8. เปลี่ยนแปลงไปเีนยวสุขเดี๋ยวทุกข์เนี่ยพอปล่อยอารมณ์จิตได้ไม่ยึดไม่ติด ใจก็ไม่มีความทุกกับอะไรต่อไปไม่มีความอยากกับอะไรต่อไปนะการพัฒนาเพราว่าตัณหาไม่พาว่นาตัณหาได้ความอยากมีอยากไม่มีก็อยากให้อกิจมีอารมณ์ดีไม่อยากให้มีอารมณ์เสียอยากพิจารณาเห็นน่นด้วยด้วยปัญญาว่ามันเป็นไตรลักษณ์มันไม่เทียมมันไม่ม เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเหมือนฝนตกแบนออกก็าปล่อยไม่เที่ยงไปรับรู้สภาพสัตว์แต้ว่ารู้ไปอพอรู้อย่างนี้ปใจก็จะหลดจากการไปทูกติกับอารมณ์ต่างอารมณ์ต่างๆที่เคยเปลี่ย น, เ ป, ยนปเปลี่ยนมาก็ไม่เป็นปัญหากับใจตัวแม่ใจเข้าใจธรรมชาติเข้าใจ ธรรมชาติของร่างกายธรรมชาติของเวทนาธรรมอาจจะธรรมชาติของอารมณ์ตายก็หลุดพ้นจากการที่จะต้องมาเป็ว้าตายเกิดพอเห็นว่ากายเวทนาจิตนี้เป็นเป็นทุกข์เพราะไม่เทีย่ยงเป็นปรากฏการณทางธรรมชาติ ที่ไม่มีใครไปควบคุมบังคับก่อได้ น, นี่ก็คือบทสรุปของการฝึกจิตในสติปัฏฐานสี่เราเข้าใจอย่างตอนนี้คุณวมอเขาฝึกสติปัฏฐานสี่อยู่ใช่ไหมกำลันนสติอยู่นี่ก็ฝึกสมาธิทุกวันพยายามอ่านทางด้าน คำสอนของพระอาจารย์ฟังธรรมเทศนาทุกวันแล้วเจริญทางนั้นปัญญาครับพระอาจารย์พิจนาตายแล้วพิจนาแล้วร่างกายไม่เที่ยงไม่ธนาไม่เที่ยงกิจไม่เทียงครับแล้วก็พยายามรู้ทันมันแล้วอยากพยายามไปจัดการกับมันเวลามันเกิดก็ไม่ต้องไปร่บหนีมันเลยนินไามันมาลองดูเฉยๆมันอยู่กับมันได้ไหม ทำไมต้องหีมันด้วยทำไมต้องไปทำมันด้วยถ้าตายจะตายก็ดูมันตายมันจะตายก็ตายไปแล้วห้ามมันได้ไามเข้าใจแล้วนะเข้าใจครับขอบพระคุณครับอา จ, จารย์อาจารย์พรหมพิรายก็ทำบ่เหมือนกัน รันมาสการมาจาย์ค่ะยังไงหาแล้วเหรอหาเรียบร้อยแล้วครับมาเร็วไปเร็วนะเดี๋ยวนี้อยู่ครบหนึ่นาทีแล้วพวกนี้เต็มที่กวาการมนแรงไหมไม่ค่ะไม่มแรงสบายสบายไปสบายค่ะอืมก็แข็งแรงโดยเร็วนี่สองครั้งแล้วนะเบิรนแล สงสัยเป็นไปได้ right> เรื่อยๆอ่ะรู้ส sí ึกอาการว่าเป็นยังไงแล้วค่ะเนียจะเป็นเหมือนโรคหวัดธรรมดาไปแล้วหรใช่เหมือนเหมือนเดิมค่ะก็ไม่มีไม่มีไข้ไม่มีอะไรแล้วว่ประทานยาไหมทานค่ะทานยาอยู่นะค่ะอานตรายจนไหมว่าไม่อะค่ะโมโนพิลาเวคค่ะพอดีอาจารย์หมอจับมาให้ใช่ได้ผลดีไมใช้ได้ผลดีไหมช่วยบรรเทาได้ไห ได้ค่ะก็ได้ค่ะก็ทำให้หายเร็วขึ้นมังค่ะเพราะว่าเพิ่งทานไปได้สองวันวันนี้วันที่สามยังเหลืออีกสองวันค่ะตัวผมเองไม่รู้สึกว่ามันมีอะไรผิดปกติคิดว่าเป็นแค่อธรรมดาไข้ก็ไม่มีนะไข้ก็ไม่มีนีกอย่างที่ฉีดวัคซีนด้วยแล้วนะนี่ วัคซีนก็ฉีดนานแล้วค่ะนานแล้วนาฉีดลาฉีดนานนะคะตั้งแต่ภุมิพานะคะคิดว่ามันพอดีอะค่ะสิบสิบเดือนเก้าเดือนสิบเดือนค่ะก็เหมือนกับครบรอบวัดต้องต้องฉีดยาหรือทำอะไรสักอย่างอันนี้ก็ไม่ต้องฉีดแล้วพอเป็นแ้วมันก็มีตัวก็ได้ผลพวงธรรมชาติอยู่รอบสิบสักเก้าเดือนก็ไปติดมาจากจากไปโรงพยาบาลนั่นนะคะอก็จะมี เยอะตามที่ต่างๆคำว่าปล่อยแพร่เชื้อโรคเยอะที่สุดก็อยู่ที่โรงพยาบาลคนที่มีเชื้อโรคมาไปที่โรงพยาบาลใช่ใช่ก็ระวังแล้วค่ะแต่ว่าก็ก็ได้มาคุณหมอต่างๆยิ่งน่าสงสารใหญ่ค่ะเพราะว่าต้องอยู่ที่นั่นทุกวันอทุกท่านหมอนี้เป็นบุคคลที่เสียชราท่านกาสังก์ก็เห็นแล้วก็แบบ พ ย, พยาบาลเจ้าหน้าที่อ<ค>ะไรเงี้ยนะคะเขาทำว่าหมอว่าพยาบาลนี้แสดงว่าไม่ไม่เห็นความความเสียสละของหมอ<ช>ของาาเห็นแล้วแบบโ h เห็นใจเพราะเราขนาดนานๆไปนะท่านเหล่านั้นต้องอยู่ตรงนั้นทุกวันพยาบาลนี้อยู่สามกาะอะไรเงี้ยแพทย์นีม่มาทุกวันโท่านังเป็นคนธรรมดานะบางทีก็ต้องมีอารมณ์เสียบ้างนะ แต่ส่วนใหญ่อารมณ์ดีนะคะที่เจอเนี่ยแพทย์แพทย์แพทย์หญิง ท, ที่เจอแพทย์หญิงส่วนใหญ่แพทย์ชายด้วยอารมณ์ดีทุกคนล่ะรุ่นใหม่ๆทั้งนั้นก็ดีใจดีมีอะไรไหมไม่มีครับพอดีเมื่อกี้ไม่มีแต่ว่าได้คิดตามไปด้วยอ่ะที่พี่อาจารย์เทสเมื่ อ, อกี้มี้พูดถึงเรื่องจิตจริงๆแล้วมัน ไม่รู้มันหลอกตัวเราหรือว่าเรารู้เองนะคือเราเราค่อนข้างนิ่งมันมันสงบมันนะคะไม่ไม่ได้วิตกไปกว่ามันไม่สงบก็ไม่ทําให้วิตกกับมันมันสงบกพราะเพราะว่ามันสงบมันเป็นของไม่เที่ยงกันค่ะหนูไม่รู้ว่าเราก็เลยสงบมันไปเรื่อยๆเพราะเราก็เห็นว่ามันเป็นเป็นของธรรมดาใช่ไหมคะบางทีเราก็ทำใมันสงบได้บาทก็ทําให้มันสงบได้ได้ค่ะ เพราะว่าผจญกับภาวะนี้มาก็ยี่สิบกว่าวันนะคะไม่ใช่แต่โควิดก่อนหน้านั้นด้วยเนี่ยมันก็แบบไปได้เรื่อยๆแล้วแต่ว่าจะจะผ่าไปทางไหนนะะจะเป็นอะไรมากกว่านี้ไหมจะต้องใช้วิธีใดรักษาอะไรเงี้ยนะคะจิตก็นิ่งนิ่งสงบตามไปไม่ชิดอะไรไปล่วงหน้าใช่ทำจิตแล้วให้นิ่ง กับ<ะ>อาการเ ป, ปเลี่ยนแปลงของร่างกายวิถีนาของจิตไป<ะ>มันต้องไปทุกกับมันให้สักแต่ว่ารู้ไปเป้าหมายก็คือใช้อุเบกขากับทุกสิ่งทุกอย่างค<ะ>โอเคนะนีะ่ะมีทานนี้นะทนนี้ค่ะขอบคุณค่ะ ถ, ถึงคุณนนทภัทเชิญมันก่อนมาไม่ได้คุยกันมาที่นี่โอกาสจะคุยกันยากเพราะคนมันเยอะ S <S อยาก<อ>จะคุยต้องเข้ามาห้อ ง, อางมาคุยเจ้า่ามพระอาจารย์วันนี้เข้ามากราบพระอาจารย์จะาขาวไม่มีคําถามเะ้าข่าย์เป็นไงมันการมาฟังเทศบรรยากาศต่างกับที่ฟังที่บ้านไหมต่างเลยค่ะพระอาจารย์มันได้ได้ไดความจดจ่อมากกว่า จ, าจา้าข่าวภาษาเป็นเพราะว่ามีคนหาานึ่งเขาก็นั่งเราก็ต้องนั่งเงียบกันขยับไม่ได้น่ะ ก็ก็ขยับบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์ยังไม่ชินกับการนั่งพับเพียบเจ้าค่ะพระอาจารย์ส่วนมากลูกจะนั่งสมาธิแบบขัดขัดสมาธิเจ้าค่ะก็เพราะว่านั่งพับเพียบก็จะไม่ค่อยชินแล้วปวดเอวอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เลยต้องปรับเปลี่ยนบ้างเจ้าค่ะค่ะแต่ดีใจที่ได้พาญาติธรรมไปด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย์อ่าอ่าท่านนี้ไม่มีอะไรนะไม่มีค่ะพระอาจารย์คุณคุณหมอสองหมอคุณหมอศาสนากับแฟน ไม่ทราเชื่อไม่เคยถามชื่อแฟนจำนวันสส ก, การพระอาจารย์ค่ะชื่อเลยนะคะพิจัยครับมีชื่อชื่ออะนะพิจัยค่ะพิจัยวิจัยพิจัยอสอพานค่ะพิจัยคุณแม่เป็นครูภาษาไทย <laughs> ต้งชื่อพิ จ, จัยกับวิจัยมันก็คาเดียวกันนะมันมีนาบารีกับสันสะเคีอนนี้ไม่มีคำศัพท์แต่ ก็ไม่มีคําถามแล้วก็กําลังปไปแบบของตัวเองแล้วต้องกลับขอพระคุณพระอาจารย์นะคะพระอาจารย์ให้ให้ไปดูอารมณ์สดๆร้อน ๆ, ๆก็ไปทำเหมือนที่พระอาจารย์บอกะคะ่ะก็ก็คือว่าแบบนมันสงบแล้วก็มีความมันมีความสุขได้ตลอดเวลาแล้วพระอาจารย์โดยที่พร อ, ออกสมาธิะคะ่ะพระอาจารย์ก็มันก็คือแบบดูไตรักทุกอย่างดูติดน้ําลงไฟมันก็เลยจริงๆพรมันดูเป็นไตรักได้ทุกอย่างมันมันก็เลยไม่มีความอยากอะไรมันรู้สึกว่ามันเป็นสมมุติริงแบบ อะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์มันก็เลยทำให้คงความสงบได้พระอาจารย์มีมีำทำไปเรื่อยน ะ, ะเดี๋ยวทำไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าก็ไปเขาชีโอนค่ะพระอาจารย์แล้วก็อีกอันหนึ่งค่ะพระอาจารย์มีความรู้สึกว่าเออคือมันพอเราเจริญเรื่องแม่ตามันมีความละเอียดขึ้นใช่ไหมคะพระอาจารย์คือมันสัมมาวาจาเนี่ยมันมันมีความรู้สึกว่านึกถึง มันพยายามแบบมีสติแล้วก็เวลาพูดอ่ะมันรู้สึกดีขึ้นแล้วก็เหมือนกับตัวอย่างกลางคืนกับลูกอ่ะรู้สึกเลยว่าเราเราเห็นเวลาเราคุยอยู่แนะนำอะไรอ่ะพอเป็นสมาวาราเนี่ยมันทําให้ลูกเขารู้สึกดีอ่ะพระอาจารย์หรือว่าคนคนรอบๆข้างอย่างเงี้ยพระอาจารย์รู้สึกมันมันก็คือเป็นจริงที่เราทำใช่ไหมคะอยู่ที่ที่เรามีสติไงเวลาจะพูดเราจะรู้ก่อนอจะรู้วลาเราควรจะคิดอะไรจะพูดอะไร นะครับาสามารถปรับเปลี่ยนได้คินแบบนี้พูดนี้ไม่ไดไมีไม่ใช่อารมณ์ผักนั่นนะถ้ามีสติแล้วมันสติมันจะมันจะกดอารมณ์ไว้มันจะการอารมณ์มันให้กันที่พระอาจารย์คะแต่ว่า อ, อ, อารมณ์เนี้ยจริงๆก็คือที่พระอาจารย์บอกคุณหมอที่ชายเมื่อกีว้ว่าถ้าเกิดมันจะสงบไม่สงบแต่ว่าตอนนี้อารมณ์มันก็คือเมันกับว่าเราพอเราเห็นความจริงอ่ะมัน มันก็เลยบอกว่ามันสามารถจะรับรู้ได้อันนี้ก็คือปล่อยมันไปก็คือแบบแต่ว่ารู้ไปอย่างนี้ใช่ไหมคะผ้าจารย์คือมันไม่จําเป็นไม่มันไม่จําเป็นต้องมีอารมณ์ใช่ไหมคะผ้าจ่าย์ก็แล้วแต่นี้ก็มีมีีก็ไม่ไม่มีก็ไม่มีดูตามความเป็นจริงไปแต่ให้ไม่มีความอยากเข้านั้นเองเพราะเรารู้แต่เราก็ไม่ได้อยากแล้วเพราะว่ามันมันรู้ความจริงอย่างนี้ก็คือทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะผ้าจานถ้านั้นแหละก็ประอยากทําอะไรมันเป็นทุกข์ทั้งหมดเลมีอะไรไม่ท่กขบ้างไม่มี เขาเนเปลี่ยนแปลงมันทุกอยู่แล้วอาจารย์ทุกกรสัร<ม>สรเข้าใจเข้าใจทุกษรสับมัก็มาอะไรวะอาจารย์ตอนนี้ค่ะค<ม>ือข้อแรกอ่ะข้อแรกอ่ะเข้าใจตอนนี้ก็พยายามระอยู่อาจารย์รัฐสมทุทัยโอเถกเป็นรองนทิด า, าต่อถ้ากล่าวนมาสการก็รกค่ะอาจารย์นะคะก็นิยมมีคาถามว่าคือถ้าในในชีวิตเราเนี่ยถ้าช่วงที่เราไม่ได้คิดนะคะล้ว เราเหมือนเราอยู่ภายในติตระวงังวางอยู่ภายในเนี่ยเจ้าค่ะอันนี้ถูกต้องไหมเจ้าค่ะคาจารย์ถูกตอมายู่กับความวาอยู่กั า, ามไม่คิดเนเจ้าค่ะอยู่กับการรับรู้เฉยๆรับรู้แต่ไม่มีความคิด ม, มาวิพากษ์วิจารสิ่งที่เรารับรู้หรือตายหรือไปตับโตหรือไปอะไรที่เราเห็นภาพปุ๊บวิจารแล้วเสื้อผ้าใสยัง้หไงอย่างนี้ ้เาแต่มันละเอียดนะบางทีเราเราไม่คิดแต่มันคิดตัวที่เรามองไม่เห็นได้เอาคิดน่มันมันบางทีมันละเอียดคิดแบบที่เราไม่รู้ว่าเราคิดอยอเห็นคนที่บางทีเราก็มีภากษว้จา้มันอย่างไรบางคนนี้เราคิดว่าเราไม่ได้คิดแต่มันดันคิดไปแต่ไม่เป็นไรนะตามดัที่มันไม่ไ้คิดทางสมุทัยก็โอเค ไปคิดไปทางรากไปชังอะไรกันอันนั้นแหละก็ต้องระวังนะอย่าให้มันเกิดความตั้หาความอยากควากดขึ้นมาแล้ว ม, มันจะเป็นภาวะตั้หาแล้วมีภาวะตั้หาอยากจะให้อยู่อย่างอยให้ก็อยู่ น, น, นานๆไม่อยากจะให้มันไปเจ้าค่ะก็ว่าจะถามคดีเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าในตัวขันห้าตัวของ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่คือเราเหมือนกับเราปรับสังขารเป็นตัวหลักที่จะปรับไปในทางที่ดีที่ที่ไม่เกิดตัญหาแบบนี้ใช่ไหมจ๊ะพีใช่แล้วก็ทำใหดูตัวที่จะบังคับให้สังขารมันปรับมันเคยเตัวเวทนาเวทนามันจะเป็นตัวสั่งให้สังขารปรับปรับภาวะตัญหาเป็นวิภาวะตัญหาถ้าสุกเวทนามันก็จะสังขารก็จะมันจะเกิดภาวะตัญหาอยากให้ภาวะนี้อยูดไปนาน ถ้าเป็นทุกเวทนามันก็ตัดวิภาวะฐานะอย่าให้มันหายเลยนะเจ้าค่ะที่แล้วก็ต้องเห็นว่าถ้าไปอยากแล้วมันไม่ได้อย่างใจอยากมันจะทุกข์ใช่ไหมโอเคก็ต้องระ ง, งับความอยากอยู่กับเวทนาแบบนั้นทุกเวทนานี้เมื่อปั่นไม่ได้เช่นเป็นไข้ยให้มันหายปผู้ฟั่นไม่หายทํำยังไง ก็ต้องพิจารณาวิทยานว่ามันก็เป็นอนัตตาเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเนี่ยเหมือนฝนตกได้หรอเจ้าค่ะอาจารย์คือเหมือนกับตัววิญญาณแล้วก็เอสัญญาเวทนาเนี่ยคือเราไม่สามารถปรับมันได้แบบนี้ใช่ไหมเจ้าคะเรามาปรับที่ความอยากที่เราจะเกิดสังขารปรุงแต่งไปในทางใดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเจ้าคะอาจารย์ใช่มันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็เป็นการทํางานของธรรมชาติเนี่ยวิญญาณร่ำลูกเสียงเงียบนอดเข้ามา ัญยาก็แปลความหมายว่าเป็นอะไรแล้วก็เกิดเวทนาตามมาแล้วก็เกิดสังขารอันที่เราจะมาแก้นะ้ก็แก้ตัวสังขารอย่าให้มันอยาให้มันทบุ่งไปทางภาวะตัณหาและวิ ว, ะวิทยาวาตัณหาด้วยการมาตัหา้วยการใช้ปัญนาว่ามันเป็นเป็นทุกข์ถ้าเราไม่อยากแล้วสิ่งที่เราอยากให้ มันเป็นตามที่เราต้องาการก็เป็นอนิจจังไม่เทีย่ยงเป็นปรากฏการธรรมชาติที่เราไม่สามารถไปไปเปลี่ยนไปสั่มันได้สํเสมอไปเจ้าค่ะครับ ก, ก็ขอขอย้อนเมื่อข้างต้นอีกทีหนึ่งก็ค่ะพระอาจารย์ว่าคือติดเราอยู่ภายในโดยที่เราไม่ได้ต้องเอามาเกาะกับกายหรือว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ในในชีวิตก็เธออยู่กับความว่าง จิตไม่คิดปรุงแต่งก็ไม่ต้องไปเกาะทำอะไรก็ได้อแต่ถ้ามันเริ่มคิดปรงแต่งแล้วก็ถ้าต้องการจะหยุดมันไม่ให้มันไปปรุงแต่งแล้วก็จะริ่งกับมาที่การทํางานของเราทางร่างกายหรือว่าใช้คําบริกรรมอะไรอ๋อว่าแบบนี้มั น, มนชัดกว่าอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะอะาเรามาอยู่กับสิ่งที่จับต้องได้แล้วถาเราเห็นความที่ล้วเรหยุดความที่ได้ก็ไม่ต้องใช้อะไรก็นดะอืม เอาจิตเราโยงมาแล้วเพิ่ ม, ามาแป๊บคิดนวุ่นวายขึ้นมาแล้วหยุดนั้นได้ก็หยุดไปถ้าหยุดไม่ได้ก็ต้องใช้คำบริกรรมหรือาศัยการมีสติถูกไว้กับอะไรทั้อย่างเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็คือขึ้นกับว่าเราเรากลับมาอยู่ที่ความนิ่งสงบได้หรือเปล่าเอ่ออกันนู้นท่านจิตนัน้นเริ่มจะฟุ้งเราหนึ่งกลับมาสงบได้ก็ไม่ต้องใช้อะไร ถ้าสติเรามีกาลังของมันมากพอพอ่าจะฟุ้งมันก็หยุดมันได้ถ้าเขาอาจจะคิดอย่างนั้นกำลังจะฟุ้งนะเดินคาเตะ่ยมันก็อาจจะหยุดได้ถ้าไม่หยุดบางทีเรวใช้พุทโธพุทโธบางเรื่องมันก็เดิมกันนะเามัผูกพันกับเรื่องใดมากมันก็เดิมาจะเอาไปเนาะ เอามันกลับมาให้อยู่กับความว่างได้ก็ได้ทีนี้มันต้องใช้สติให้ปัญญาด้วยก็ได้เจ้าค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็อีกคําถามหนึ่งก็ค่ะพระอาจารย์คือในการปฏิบัติเนี่ยคือเราต้องการที่จะเหมือนกับว่าปรับให้ใจเราเป็นศูนย์แล้วเราก็เหมือนกับเห็นสิ่งที่ละเอียดลงไปเรื่อยๆว่ามันเป็นทุกข์จากที่แต่ก่อนไม่เห็นอันนี้ถูกต้องไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ปรับใจเราให้เป็นผู้รู้ผู้ดูอย่าเป็นผู้ผู้ประบัตม เจ้าค่ะให้ดูเฉยๆดูว่าทุกอย่างมันไม่ที่ยเป็นทุกไม่มีความจําเป็นจะต้องไปทําอะไรอ่ะครับทําทํำก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้เปลี่ยนได้ก็ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วมันก็เป็นไปต า, ามสภาพของมันอยู่ดีเจ้าค่ะถ้าเราดู้ฉยๆก็ถือว่าเราปล่อยวางเราก็จะไม่ทุกกับสภาวะธรรมทั้งหลายแต่ถ้าเราปล่อยวางไม่ได้อย่ากจะปรับสภาพสภาวะธรรม ปับร้อนให้เป็นนาวปัดหนาวให้เป็นอะไรอย่างนี้มันก็จะทําให้ใจเราเครียดได้มุ่นวายนะเวลาปรับไม่ได้เจ้าค่ะอาจารย์ก็คือเหมือนกับว่าในในที่สุดเราก็จะเหมือนปล่อยวางเหมือนกับว่าจิตเราก็จะไม่กระเพื่อมกับสิ่งใดๆเลไอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะใช่จุดใหม่ใ ช, ใช่มันหย่น้ํามันใบบัวเป็นแต่รับรู้แต่ไม่มีการ ถ้าท่านไม่มีการสะเทือนใจกับสิ่งที่เรารับเรู้คือเหมือนรับรู้แต่ว่าก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาร่างกายใดๆอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะอ๋อบอกเป็นอเไรก็รับรู้ไปใช่ครับเจ้าค่ะทําำได้ก็ทําไปไม่ได้ห้ามไม่ให้ทํารักษาได้ก็รักษาไปตกลงค่ะรักษาไม่ได้ก็อยู่ประมันไป เข้าใจแล้วเ ข, ข้าใจแล้วเจ้าค่ะวันนี้มีช่านี้เจ้าค่าะอาจารย์ขอบคุณเจ้าค่ะสาธุขอบคุณบอนบอนอยู่ที่ไหอสกสารพระอาจารย์ค่ะตอนนี้อยู่กรุงเทพครับออฟฟิศสายใหม่มคีอมีครับคราวที่แล้วเนี่ยขอการบ้านพระอาจารย์เพระมีเหตุเหตุว่าเราได้โอกาสไป ปฏิบัติธรรมวิเวกเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ที่ได้อยู่กับตัวเองแบบทิ้งโทรศัพท์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับพอเราได้ไปปฏิบัติธรรมพระท่านก็ให้ให้เจริญสติอย่างที่หลวงพ่อฝากให้การบ้านมาผมถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับผมเอาการบ้านอะไรดีครับจะได้ไปปฏิบัติธรรมห้าวันหลวงพ่อบอกให้เจริญสติตั้งแต่ตื่นยันหลับพอเข้า คอรกรรมาฐานใบพระอาจารย์ท่านนําก็ท่านก็สอนผมฝึกสติเพราะผมผมเพิ่งก้าวเข้ามาพุทธศาสนาผมก็ฝึกรู้โน้อรู้ตัวคําถามต่อมาที่ที่ผมกําลังงงงงง ง, ง, ง, ง, ง, งเพราะว่าเราผมฟังหลวงพ่อก่อนทีนี้ท่านในคอสพระท่านให้ให้ผมรู้เนื้อรู้ตัว ให้พ ย, ยายามรู้ตัวตลอดถ้าตอนนั่งสมาธิก็ให้หลับตาแล้วก็รู้ตัวว่าท่านให้ดูที่กายก้นกระทบเบาหรือเปล่าเส้นเลือดที่มือมันก็กาลังสะเทือนอยู่ลมหายใจหรือพูดท่านก็ให้รู้ตลอดยันเสียงข้างนอกเสียงแอร์หรือเสียงอะไรทีนี้พอเราปฏิบัติในลักษณะนี้แล้วก็มาดาเนินชีวิตพอออก ออกจากคอยมาแล้วก็ทำงานเรียนเหมือนเดิมก็ก็ฟังพระอาจารย์หนึ่งๆก็เลยง ง, งที่ว่าผมควรรู้ตัวแบบนี้คือมีสติอยู่กับตัวรู้ว่าคิดอะไรรู้ว่ารู้สึกอะไรปวดตรงไหนตอนนั่งสมาธิเนี่ยผมควรรู้พร้อมๆไปแบบนี้หรือผมควรจะ โฟกัสแล้วอยู่ให้มันสมาธิดีครับตอนนี้ผมผมมีสองทางว่ารู้รู้ทั่วต่อไปหรือผมจะจดจ่อดีผมผมง ง, งงตรงนี้ครับว่าจะไปทางไหน อ, อถ้าทางเราที่เราปฏิบัติมาก็ต้องจดจ่อนะอยังไม่ถึงขั้นทีนท่จะรู้ทั่วไปรู้ทั่วไปนี่ต้องผ่านขั้นสมาธิไปก่อนถึงจไปรู้ทั่วไปได้เพราะถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีวิบากเรา เราจะไม่รู้ทั่วไปนะเราไม่รู้อะไรเราจะเกิดปฏิปยาขึ้นมาเกิดปัญหาความอยากขึ้นมาทันทีเหราฝึกสมาธิให้ได้ทำจิตให้เร่งให้มีมเดคาให้ได้ก่อนก็จะได้รู้ทั่วไประดับเฉยๆได้อันนี้คุณรู้ทั่วไปแล้วคุณเฉยได้ไม่ได้ใช่รู้ทั่วไปในบางยอยอย่างกรณีเวทนาครับผมก็พยายามนั่งให้นานให ให้กระดูกแตกไปเลยบางครั้งก็ดูเวทนาเขาตรงๆได้แล้วก็ผ่านจนเขาหายไปตามลำ บ, บักก็ค่อยๆหายค่อยๆ ค, คลายไอ้ซาซาช้าชาก็หายไปแต่ในบางครั้งเนี่ยต้องใช้พุโทโธช่วยเบนความสนใจของจิตเพราะว่าจิตเขาหลงไปติดกับเวทนาหลงอารมณ์แบบมันดิ้นพราามันทนไม่ไหวมันจะเลิกมันไม่สมอมันไปก็ไปกาะิกับเวทนาเราก็ต้องใช้พุโทโธใช้สติหนึงห่งมัน ให้มันเข้าสู่ความสงบให้มันยาก <Okay. S 1> ง่ายต้องฝึกใช้แบบโฟกัสไปก่อนเพื่อเรามีความสามารถที่จะดึงจิตให้เข้าสู่ความสงบให้ได้ก่อนเมื่อเรามีสติย้าย้ำจิตไม่ให้ไม่ให้ไปมีอะไรกับอะไรได้แล้วเราค่อยไปรู้รอบตลอดในที่นี้ตอนนี้ดูแลมันก็ยัง รู้แบบไม่แน่หรือแบบไม่รบบมู้ไม่ไม่รู้แบบปล่อยวางรู้นะมันจะไม่มีปฏิกิริยามันจะไปรักชา่างปวดหรืังเข้าใจไหมเข้าใจครับเดี๋ยวจะเดีต๋ตอนนั่งสมาธิจะโฟกัสที่ที่อะไรซักอารมณ์หนึ่งอะไรก็มั น, น, นสเสพก็ลองโฟกัสไงไม่ใช่แต่เฉพาะเวลานั่งสมาธิ เวลาเจเริญสติตอนที่ไม่ได้นั่งเราต้องอยู่กับพุโทโธและอยู่กับการเคลื่นอนไหวของร่างกายอย่าไปดูรู้รอบตัวค่ะรู่โู่อะไรต่างๆอย่างนั้นมันไม่มีสติเขานะผมผมมีกรณีหนึ่งอะครับพอหลวงพ่อพูดคืออย่างตอนเดินจงกรมอย่างเมื่อเช้าอะครับถ้าเราไม่เช้าผมเดินสองชั่วโมงคือพอเดินไปเนี่ย หลายครั้งที่ที่เราอะโฟกัสในร่างกายเช่นกระดูกข้อต่อหรือหรืออะไรที่สะเทือนเราก็อยู่กับร่างกายไปพอพอเข้าไปโฟกัสร่างกายมากๆเนี่ยเราได้ยินเสียงข้างนอกอะบางครั้งเราจะตกใจกับการผมเคยลองว่าถ้าเรารู้แบบไม่ได้โฟกัสแบบจะเข้าสมาธิเรารู้เราจะไม่ตกใจกับเสียงที่อยู่ๆเขาโผล่ขึ้นมา ผมก็เลยยังงงว่าละก็ที่เนี่ยเนี่ยครับคือที่หลวงท่านหลวงพ่อที่หลวงพ่อพูดสักสักครู่เลยครับว่าเราเนี่ยเราเราจะรู้ทั่วทั่วก็คุณทําไปก็แล้วกันพ่อพูดกันปัญญาวัตายก็พูดกันไม่รู้เรื่องคุณทำของคุณไปเราทําของเราไปก็แล้วกันเป้าหมายก็คือท้ายใจของคุณเฉยเฉยไม่สะดุ้งก็แล้วกัน เดี๋ยวผมลองพูดก่อนแล้วแต่คุณอันนี้คุณต้องเปนปฏิบัติบางทีพูดกันอาจจะพูดเรื่องเดียวกันแต่ภาษามันพูดไม่เหมือนกันก็ได้บางทีมาทะเลาะเกี่ยวกับเรื่องเดียวกันเหมือนกัพรามภาษาัสื่อกัรพูดกันไม่รู้เรื่องเดีวขออนุญาตพระอาจารย์นะคะเดี๋ยวผมต้องเวลาเดินจงกลมผมโฟกัสไปก็ได้ใช่ไหครับอาจารย์ก็โฟกัสอยู่กับอะไรอย่างได้อย่างนี้อย่าไปอย่าไป ให้มันอยู่กับเท้าการเคลื่อนไหวองเท้าซ้ายขวาซ้ายขวาไปแล้วอยู่กับพุโทโธไปไม่ให้มันคิดอะไรเป้าหมายได้ครับอาจารย์ขอคุณคระอาจารย์ครับครับคุณเอกจากเชียงรายเชิญกลาบนักนส ก, การ์พระอาจารย์ครับเออตันนี้ไม่มีคําถามไดครับพระอาจารย์เขอา้ามากราบพระอาจารย์แล้วก็ร่วมรับฟังครับผม อืก็ปฏิบัติอยู่ครับพระอาจารย์ทุกวันครับไม่ขาดครับครับผมก็ยังถือในสัญชิกอยู่ครับพระอาจารย์ก็คงมีธรรมะครับก็พยายามทําให้มากขึ้นถ้าเป็นไปได้ก็ทําให้มากขึ้นครับครับผมขั้นแร่งอ่ะถ้าเหยียบคันแรกขั้นี้ไม่ไม่ไม่เหยียบมันมากไปกว่านี้มันก็วิ่งได้เท่านี้พยายามเร่รวกว่านี้ก็ต้องเหยียบมันลงไปเหยียบ อยากทำอะไรให้บ้างครับผมเพราะว่าเดี๋วเดี๋ยวสิ้นปีนี้ก็จะออกไปปิดเวกอยู่ครับอาจารย์ครับเออาจะถึงเวลาต้องถ้าเป็นต้นไม้ก็ปลูอยู่ในกระถางมานานแล้วมันเต็มมันโตวันนี้ไม่ได้ต้องต้องเอามันลงดินนะครับน่าจะเป็นนะครับอาจารย์ครับครับผมแต่ก็ในบ้านอย่างนี้ประจำอยู่ที่บ้านนี้มันก็ได้แค่นี้แหละครับครับครับน่าจะประมาณนี้ครับแต่ว่ามัน มันก็สงบง่ายขึ้นครับอาจารย์ก็่งร่วงเบาอยู่นะครับผงร่วงเบาสบายอยู่ครับอาจารย์ครั บ, อรบขอบคุ ณ, ราารณครับคุณก๊อฟก๊อี่ก็สุราธานีถามนรมาสการครับวันนี้มานั่งฟังครับมันมีบางคำถามแต่ว่าเป็นเรื่องที่เรารู้ได้เฉพาะตัวเนี้ยเราก็เลยไม่ถามดีกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ความรู้พิเศษที่เราแบบว่าไปรู้เรื่องราวต่างๆอย่างเนยครับแล้วมันเกิดขึ้นจริง้ยฮะหรืว่าเรื่องเทวดาที่แบบแต่ว่ามันมันเป็นความรู้ที่แบบว่าเรารู้จิตเรเองดีกว่าไม่เอาไปพูดแต่ว่าเราได้เช็คแล้วว่ามันมันเกิดขึ้นจริงครับมันไม่ใช่เป็นทางแล้วกันไม่ใช่ทางสู่การดับทุกข์อย่าไปสนใจมันให้รู้ใครับแต่มัเสียเวลาคับมันอย่าไเสียเวลา ลูกลูกมีความยินดีครับแต่ว่ายินดีว่าที่เราได้รู้ว่าได้ถูกต้องแต่ว่าลูกไม่ได้แบบว่ายึดยึดถืออะไรเป็นแบบสลาณาครับรู้ว่าสิ่งที่เต็เงทามามันก็เกิดดอกผลเป็นแบบนั้นครับเอาเรื่องที่จะถามที่มีปัญหาเรื่องการความอ้วนครับเรื่องกินอาหารครับเรื่องอื่นผมพอเออ่แยกแยะได้แล้วแต่เรื่องนี้แบบว่าผมไม่ไม่ค่อยทราบจริงๆอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนําครับผมก็ดู ความเป็นปฏิกูของอาหารเลยเวลาเห็นอาหารอร่อยคิดถึงเวลามันออกมาจากร่างกายแล้วมันน่ากินไหมความดีออกอามาจากร่างกายแล้วมันก็เป็นอาหารนัไม่ใช่มันจากอาหารไม่ใช่พยายามดูได้อยู่มันก็เริ่มรู้สึกแต่ว่าถ้าเรากินข้าวรวมกันนะผมไม่รู้สึกอะไรผมกินได้กินข้าววัดกินข้าวแบบมากองวมกันได้แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องอาหารเดี๋ยวจะลองไปใช้คือคือเพราะน้ําหนักเนี่ยเราอยากได้ธรรมะด้วยเรา เราไม่อยากรู้น้าหนักแต่ว่าให้ตัเงสวยงามเลฮะอยากลดน้าหนักให้แบบว่าได้ทั้งธรรมะแล้วก็ได้ได้ทั้งสุขภาพอะครับผมก็ทำตามนั้นเลยใช่ไหมคะก็แน่เราลองกินเมื่อเดียวเลยสนใจมาตรการไหนมาตรการเพราว่าพระเจ้ากับพระจันทร์ใช่ไหมไม่รู้จะไหวเพราะว่าเวลาหิวคือถึงอาหารที่เอามาจัดขําก้นเลยพอหิวแล้วครับ นี่ลูกลูกยังงานยังมีเขาทักมาทํางานให้ทําเลยครับอาจารย์แล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวผมฝากเพื่อนไปตักบาตรที่กุฏิพอาจารย์นะครับครับคุณทวิษฐจากสวิตเซอร์แลนด์กลาวน้อมสกราร์พระอาจารย์ค่ะไม่มีคำถามค่ะเข้ามากราบพระอาจารย์และรวล่วมรับฟังค่ะออปฏิบัติเนี่ยวันนี้วันปฏิบัติทำนะค่ะพระอาจารย์ใช่ค่ะพระอาจารย์ ค่ะก็พยายามจะดำรงตามตามนี้ไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์อ่าครับค่ะที่คุณวิไลพลหญิงพุทธบุตรสายสองกราบรียนมาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ไม่มีคําถามเจ้าค่ะก็ปฏิบัติอยู่ทุกวันค่ะพระอาจารย์อ่าครับพระอาจารย์รักษาท่าขานะคะอ่า ทุกน่ารักษซ้ายมันไม่น่ามันต้องรักษาพระอาจารย์ขอให้พระเจ้าตัวแข็งแรงเจ้าค่ะค่ะคุณมันก็ดีกลับมาพการเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้ก็ไม่มีคําถามค่ะพอดีว่าได้รับฟังจากท่านผู้ร่วมฟังถามได้ฟังคําตอบจากท่านทั้งหลายแล้วค่ะตอนที่พระอาจารย์ตอบคาถามก็เลยคลายข้อข้องใจไปแล้วเจ้าค่ะ โอเคย้อนไปที่พระอาจารย์อาจายอยู่บริลล์ล็อกใช่ไหมอยู่สุรินทร์เจ้าค่ะใกล้ๆกันค่ะโอเคน้ำมอุ่งเทพอาจารย์ครับพอาจารย์วันนี้มาส่งกันบ้านครับผมอ่ามาก็อามที่พระอาจารย์ให้กันบ้านไปในเรื่องของการพิจารณาโคงกระดูกครับผมเวลาที่มีแบบ อ่าเด็กนักเรียนผู้หญิงอย่างเงี้ยในชั้นเรียนเดินมาเดินผ่านเราก็จะพยายามมองมองโครงกระดูกมองไปเรื่อยๆจนเราชินเราวกลายเป็นเหมือนแบบเราหลุดอุททาห์ขึ้นมาอย่าเงี้ยครับพอาจารย์ว่าอุ๊ยโครงกระดูกแล้วเพื่อนที่เขาได้ยินข้างๆนะฮะเขาก็งงว่าเราพูดอะไรแต่เราก็ไม่ได้บอกเขาสับอาจารย์แต่เราก็พยายามฝึกกับพอาจารย์ดี p r o g r ไ s s เรื่อยๆ อเพื่อไปสรับ เ, รเมื่อรู้แล้วเห็นแล้วหนุสอบนเรื่อจย <c oughs> ์ต้องตึกไปเรื่อยๆครับแล้วก็ตั้งแต่ที่นำในเรื่องของอุเบกขาที่พระอาจารย์สอนไปใช้ครับผมรู้สึกว่าผมมีเพื่อนมากขึ้นเยอะเลยครับจัดแต่ก่อนเพราะว่าเวลามีเรื่องอะไรแล้วก็ไม่เป็นไรยอม ยอมเขาได้วางใจเป็นกลางอย่างครับอาจารย์ไม่หงุดหีิดโวยวายอะไรเข้าไปครับอาจารย์ยอมหยุดเงินนะครอาจารย์ใช้สูตรสามยอมอะไรไหมครับอาจารย์ได้ครับอาจารย์แล้วก็ก่อนหน้านี้ครับอาจารย์ผมอยากจะถามอาจารย์ครับเพราะว่าเวลานอนนะคะอาจารย์ส่วนใหญ่มันจะฝันนะครับอาจารย์แล้ว ในในความฝันมันจะมีเกี่ยวข้องกับในเรื่องของได้พบเห็นพระอะไรเงี้ยค่ะเจอพระได้ไปวัดโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซะส่วนใหญ่ครับอาจารย์ผมต้องทำจำอะไรไม่ได้ผมต้องเป็นคนที่ก็จะการมันทำของเราไปไปวันไหวไปเจอพระไหวมันก็ฝันแต่เรื่องพระเรื่องวัดไปครับอาจารย์เพราะว่าเหมือนว่ามันฝันผ่อยจนไม่รู้จะทํำยังไง ถ้าไป่อยากจะฝันก็ต้องฝึกสมาธิเยอะๆให้จิตสงบนะเวลานอนหลับมันจะไม่ฝันหรือฝันน้อยนอครับอาจารย์ได้ครับจะนํากลับไปปฏิบัติครับอาจารย<ม>์แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งครับอาจารย์ก็คือเรื่องของการตัดอตัดใจครับอาจารย์ก็คือวันนั้นก็คือมันมีเรียนว่ายน้ำครับอาจารย์แล้วก็เราก็เหนื่อยมากแล้ว คุณครูเขาก็ให้ขนมมาขนมโอรีโอมาแพ็คหนึ่งครับอาจารย์แล้วก็โอ้ยเห็นละแต่เราก็เฉยๆคือเราก็อยากทานแหละแต่เราก็เฉยๆเดี๋ยวกลับไปทานแบ่งกับคุณพ่อคุณแม่ปรากฏว่าตอนเดินขากลับจากโรงเรียนครับอาจารย์เจอขอทานคนหนึ่งแล้วก็คือตามปกติเราก็จะชอบให้เงินเขาเนี่ยครับอาจารย์แต่วันนั้นเราไม่ได้พกเงินสักบาทไปเลยครับอาจารย์ทำเนื้อทงตัวก็มีอยู่แค่กระเป๋านักเรียนกับ ขนมก็เลยให้ขนมเขาไปครับอาจารย์แล้วก็ก็รู้สึกครับอาจารย์ว่าเออเราก็ได้ตัดความอยากของเราไปแล้วครับอาจารย์ออถ้าเราให้ของที่เราเราัากได้เนี่มันจะมีควาสุดมากครับอาจารย์วันนั้นมีความสุขมากคุณแม่ยังชื่นเลยครับอ า, าจารย์นะก็มีเข้านี้ครับวันนี้ให้ของที่เรารักไปเนี่มันจะมีความสุขมากกว่าให้ของที่เราเกลี่ยน ลให้ของที่เราเปลี่ยนมันไม่ค่อยรู้สึกอะไรครับอาจารย์ครับอาจารย์คะอใพระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงครับผมค่าบทุกมาริการ์ดนาราทิวาตอนนี้เจอฝนเยอะนาราทิวาเจอไหมวันนี้มันนี้โซล่าติตกที่ที่ฝนมาหัวตกเยอะค่ะก็วันนี้ก็มาร่วมรับฟังแล้วก็ได้ได้รฟังคาถาม ไอ้คำบอดของพ่อจานแล้วนะคะเพราะว่าในเรื่องของเกี่ยวกับว่าเราไปยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากแล้วเวลานั่งแล้วก็จะได้สิ่งนั้นมาแล้วก็พ่อจาย์ก็แก้เนี่ยนะโอเคสาธุนคนที่เกียรติศักดิ์ก็ทำบ่ยงไายๆทำมาชา้านมาชา้านแบบบนเขาเชียงวนนี้ได้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ ธรรมสถารพระอาจารย์คเขาก็จะมาเรียนให้พระอาจารย์ทราบว่าผมได้ปฏิบัติตามที่อาจารย์ได้สั่งสอนคือเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับแล้วก็ไปทําสมาธิแล้วมันเกิดความสงบมากเลยครับพระอาจารย์แล้วก็เข้าใจวันนี้ว่าเพราะอะไรพระอาจารย์ถึงต้องให้ถึงกูเบกขามันจะมีกําลังที่เราจะไปพิจารณาต่อไปมัน มันนิ่งนิ่งมากในการพิจารณาแล้วมันคิดได้ลึกครับ mm hmm. คือวันที่สองผมนั่งสมาธิเสร็จก็สลับระเดินจงคมไปแล้วพอช่วงบ่ายบ่ายครับ่า ย, ายต้นๆกอ็อยากเปลี่ยนอริยบทพอออกจากสมาธิแล้วรู้สึกว่ามันสงบมา ก, กเลยเปิดหนังสื อ, อที่ของพระอาจารย์นะครับเปิดมาเจอหน้าเกี่ยวกับเรื่องกายพอดี ก็เลยได้อ่านแล้วมันสอนใจเราก็เลยพิจารณาตามไปผมมีความเข้าใจว่าอมันเป็นความความจริงที่เราอเราปฏิบัติมาเพื่อค้นหาความจริงแล้วก็ยอมรับความเป็นจริงของมันความเป็นจริงอันนี้มันคือเป็นกฎของธรรมชาติเป็นกฎของไตรลักษณ์มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของ ร่างกายคือแต่ก่อนผมกลัวอย่างที่เคยเรียนอาจารย์ว่ากลัวงูกัดมากเพราะมันฝังใจตั้งแต่ เ, เด็กๆครับแต่พอเราใช้อภิจารณาลึกลงไปว่า ย, ยังไงเราก็ต้องตายเราจะเป็นมะเร็งตายหรือรถชนตายหรือจะแก่ตายหรื อ, อยังไงมันสุดท้ายมันคือตายอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราจะกลัวงูให้มันกัดตายทําไมมันก็เลยแบบโอเราแค่ต้องยอมรับมัน ใ่พยายามหนักความตายใหความกลัวต่างๆมาให้ครับในความรู้สึกตอนนั้นรู้สึกว่าโอ้ผมรู้สึกมันมันเข้าใจแบบซาบซึ้งอะครับว่าเออคุณก็แค่ยอมรับมันคุณจะไปที่ลนไม่อยากตายไม่อยากตายมันก็ฝืกระบบฝืนซ y s t e m มันเป็นปัญหาความไม่อยากตายครับเป็นปัญหาครับกับมอใช่ครับอาจารย์มันก็เลยแบบเออรู้สึกว่าเฮ้ย เราแค่ยอมรับความเป็นจริงเห็นอนิจจสัตว์สิเห็ น, น, นทุกข์แล้วก็เกราะฉะน้ความทุกข์เกิดจากความไม่ยอมรับความจริงใช่ครับ<ข>อพอยอมรับความจริง ค, ครับทุกข์ก็หนักไปครับมันก็เลยแบบลอยๆอยสับโล่งโล่งเย็นเย็นเราไม่เลยกลัวอะไรก็พิจารณาอันที่สองต่อไปในหนังสือก็อ่านํามอาจารชันที่สอนไว้เกี่ยวกับ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วพระอาจารย์บอกให้ดูที่สุขกับทุกอให้ให้ดูที่เวทนาครับเวทนามันก็เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปมันเกิดขึ้นมันก็ดับไปมันมันเหมือนมันมันแยกออกมามันรู้สึกมันซาบซึ้งตรงนั้นนะครับคือมันมันรู้สึกว่าอเคเป็นธรรมชาติเนี่ยมันยืนพากานใช่ครับเป็นสภาวะธรรมชาตินั้นเป็น อะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนร่างกายก็เป็นสสารเป็นก้อนจิตหนึ่งก้อนร่างกายก็มันกายเมตนาแล้วเมตนามันเย้อนกลับไปตอนที่เราสงบครับพระอาจารย์มันเหมือนเฮ้ยมันไม่มีร่างกายคุณก็ยังมีความรู้สึกมีจิตใจรู้สึกอยู่แปลว่ามันร่างกายนี้มันไม่ได้เป็นอะไรที่เราจะต้องไปสนให้ไม่ต้องมีไม่ต้องมีมันเราก็อยู่ได้ ใช่ครับมันไม่ต้องมีมันในความรู้สึกตอนย้อนกลับไปเที่ยวบัดตอนที่นั่งครับสงบอ mm hmm. ก็ก็พิจารณาอันนี้แล้วก็เลืนว่าตอนช่วงเย็ยนที่ดื่มปานะครับไปเจอพี่สุเมฆครั้งแรกก็ถามว่าพี่สุเมฆเมื่อวานพี่บอกว่าพี่ไปเดินน่ะพี่เดินลงไปข้างล่างที่พี่ไปเดินยังไงเขาก็บอกว่าออเขาเดินอย่างนี้อย่างนี้ตัดลงไปที่ขุดแค่สิบสองแล้วก็ไปอ้อมด้านหลัง แล้วก็มีเข้าป่าด้วยที่พระอาจารย์อ e ีเวไปช่างแค่ช่างไปอะไระครับในป่า mm hmm. ผมอยากไปลองดูพังผมไม่เคยไปเลยอมีพี่คนหนึงเคยบอกให้ผมขึ้นไปทําขุดสิบสิบห้าผมเคยขึ้นไปมันก็สูงสูงมันก็ไม่มีอะไรนะมันเป็นทางปูอย่างเงี้ยแต่พี่ถูกไม่บอกทางนี้มันเป็นทางตัดเข้าป่านะพี่เลยผมก็เลยเดินลงไปช่วงนั้นประมาณห้าโมงกว่าก็ คุยกันว่ามันจะจบโพเพค่าๆหรอครับมันจะมืดอหน่อยนะคุณต้องเตรียมไฟไปด้วยอ่าผมก็เดินออกไปด้านหลังมันสงบมากเลยครับถึงแม้จะเป็นถนนยงางโมตอยตอนแรกได้ยินเสียงตูมตุ่มตุ่มเพราะเดินไปอ๋อกวางมันเล่นน้ำในบ่อของมันครับมันก็ตกใจผมเดินมาเขาเดินไปพอไปใกล้ๆทางหนึ่งมันจะเป็นทางปัดลัดเข้าไปในป่าครับ มันไม่ใช่ทางยามอตอยมันก็ดูน่ากลัวครับอาจารย์ผมก็เอ้ยคงจะตรงนี้แหละมั้งที่เขาบอกว่าเป็นป่าให้เดินเข้าไปอืมันเป็นป่ามีปฏิอยูนขั้นตอนมีปฏิอยนข้นตอนใช่ไหมอ๋อเลยลงมาแล้วครับเลยลงมาด้านล่างแล้วครับก่อนจะถึงหมีครับมันจะมีสองซอยเลี้ยวซ้ายแต่ผมก็ไม่รู้นะครับผมไม่ได้ดูแผนที่ละเอียดเข้าไปผมก็เลี้ยวเข้าไปเลยดูเออหุยมันดูแบบเงียบไม่มีอะไรเลยแล้วมันไม่มี ทางคนเดินจริงๆแต่มันเหมือนคล้ายๆเป็นทางเก่าแต่ใบไม้เต็มแห้งเต็มพราวเลยผมก็มีความรู้สึกเ อ, เอ้ต้องระมัดระวังหน่อยเพราะว่าพี่เขาก็บอกว่ามันอาจจะมีงูนะแต่มเมื่อีกทีว่าเฮ้ยมันก็ต้องตา ย, ยไหนเราโดนงูตัดโดนงูกัดมันก็ตายเหมือนกันวะก็เลยแบบเออเดินไปด้วยแต่ไม่ได้เดินแบบลุยแบบบ้ารหัมนะครับเพราะ มองที่ใบไม้เหมือนกันด้วยความมันระวังแต่มันรู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรก็เพียงแต่ ว, ว่าในใจตอนนั้นกลัวมันจะหลงในป่านานก็เลยมองทางออกให้ดีๆพอทะลุกออกไปด้านข้างเขื่อนนะครับก็ประมาณไกลพอสมควรสักครึ่งชั่วโมงได้มั้งครับตรงนั้นกว่าจะทะลุกออกไปมันก็มีทางในป่าในลอกบ้างอะไรบ้างเจอเจ้าหน้าที่ครับเขาก็าตกใจบอกเพราะตอนนั้นมันมืดแล้วครับ ออกมาบอกพี่มาจักทานไหนเนี่ยโอวโหผมเดินมาจากอย่างนี้อย่างนี้พอกโอพี่ก็ไปพี่มืดแล้วนะมันอันตรายมีมูชงทางงูเห่าเยอะนะในนั้นน่ะงูเห่าเหรอโอ้โหเออครับขอโทษครับพี่ผมนะครับไม่เป็นไรแต่ผมไม่เป็นไรผมโอเคพี่เขาก็เออกลับบ้านไปคครรรัับบสไ้าอะนก็สรุปว่าผม อยากบอกาาว่าออยกการเดินจงกรมในป่ามีประโยชน์ใช่ไหมมีสติมีอะไรดีขึ้นนะครับแล้วเหมือนกับความกลัวผมมันอาจจะถ้ามันเต็มร้อยมันก็คงจะลดลงไปเยอะพอสมควรนะครับอืมคร้วหน้าถ้าไปผมจะไปลองอีกอ้ากลัวถ้ากลัวคงจะไม่ข้าเดินในในป่ามันเดียวนะครับครับก็ผมก็อยากจะขอบขอบคุณพระอาจารย์มากๆากถ้าพระอาจารย์เหมือนคนที่ผ่า เอาความจริงมาบอกครับแต่ผมเป็นคนที่ยอมรับมันครับก็เลยต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากครับถ้าผมไม่เจอพระอาจารย์ผมว่าคงจะไม่เข้าใจปฏิบัติไปทางอื่นครับพระอาจารย์ครับใช่คุณพัฒนพงศจ้าพ่อธรรมอุ่นกลับนักชการครับมีอะไรไหมวันนี้ มีคําถามครับครับก็จะกราบเรียนถามว่าอา่าก็คือว่าพอดีว่าก็คือได้คุยกันกับเพื่อนๆที่ปฏิบัติด้วยกันนะครับทีนี้เนี่ยก็เลยมีข้อสงสัยกันว่าว่าคนปฏิบัติธรรมเนี่ยที่บอกว่าไม่ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่โลภหรือว่าแม้แต่ที่บอกว่าไม่อยากได้นั่นได้นี่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะว่า เขาไม่เคยได้เขาก็เลยบอกว่าเออเขาก็ฉันมีธรรมะฉันก็เลยเออพอแค่นี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าถึงมีเวลามีเหตุการณ์จริงๆเนี่ยแล้วเกิดเขาได้ได้มาเช่นไม่เคยรวยแล้วก็รวยขึ้นมาอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราจะเออเราจะรู้ได้ยังไงว่าธรรมะที่ที่เรามีเนี่ยมันมันใช้ได้จริงเช่นว่าเออเขาเช่นเยอะตัวอย่างที่คุยกันคือว่าเขาบอกว่าอยู่คนเดียวก็ดีเนี่ย แต่อันนี้ก็เคยคุยกันว่าอ้าเพราะจริงๆแล้วเขาไม่เคยมีแฟนหรือเปล่าถ้ามีแฟนก็อาจจะทิ้งธรรมะก็ได้อย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นเป็นที่สงสัยกันว่าว่าเรื่องของธรรมะเนี่ยมันมันจะรู้ได้ไงว่าเออเราก็ปฏิบัติของเราไปได้เรื่อยเขาก็คงเป็นคนปฏิบัติค่อนข้างเข้มข้นแต่ว่ามันก็ยังไม่มีบททดสอบจริงๆอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าเออเพราะเขายังไม่เคยมีใครเขาก็อาจจะบอกว่าเอออย่างนี้ก็ดีถ้าเกิดมันมีใครขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างเงี้ยครับ ถ้าอยู่คนเดียวได้จริงๆก็ไปบวชแลไปบวชแวถ้ายังไม่บวชก็ยังก็คุยกันไปท่านเองเห็นไหมไปบวชแสนจะสบายอยู่คนเดียวงานไม่ต้องทำภาษีก็ไม่ต้องจ่ายอาน้าก็ไปไอยู่ฟรีกินรีทุกอย่าง ค, ค, ค, ค, ค, ค, คนที่ยังเป็นคารวาสญาติโยคุยกันก็ฟังหูไม่หไปกันแล้วกันเป็นการ เป็นการโมโกร้กันมากกว่าถ้าของจริง้มันต้องไปบวชนนะของจริงทำพิธีกรรมแล้วน่า อ, อยู่ทำไมลนะ่ะคือเผืมก็คื อ, ค อ, คอง่ายๆคือว่าถ้าถ้าบอกว่าอยู่ระดับที่ที่ทําได้จริงคือไม่ต้องการอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่น่าจะเป็นคาราวาสใช่ไหมครับอาจารย์ใชเป็นคาราวาสทำไมคาาวาสทุกจะตายไหมวุ่นวายจะตายไหม ครับต่อไป ا یک ا یک อ, อ, อีกคำถามเป็นเรื่องปัญห า, <alia> าของการปฏิบัติครับ <reign. S 2> ก็คือว่าปฏิบัติในเนี่ยเอ่ออย่างเช่นเร็วๆเนี้ยก็คือก็คือปฏิบัติไปแล้วก็ก็ดูดูนั่นอยู่ในความสงบแล้วก็ดูความคิดก็คือว่าคือตอนเนี้ยเรากําลังจะได้ของของชิ้นใหม่ซึ่งซึ่งเราก็ไม่ได้ดีใจกับการได้ของชิ้นใหม่แต่ไปมามันกลับกลายเป็นว่าเรา มีความกังวลในของชิ้นใหม่เนี่ยแทนว่าเอ้ยเราเราก็พยายามจะกลัวมันจะแบบใช้แล้วเก่าหรือว่ากลัวแล้วว่ามันแบบเออแบบเริ่มแบบไมใช้แล้วมันจะเอเสียหายอย่างเงี้ยครับก็เลยก็เลยก็เลยอยากขออุบายในการภาวนาต่อว่าว่าว่าเราควรจะภาวนาอย่างไรเวลาที่เรามีความคิดแบบเนี้ยว่าว่าว่าเออ พูดถึงสิ่งของเนี่ยเราไม่ได้อยากได้เราไม่จะดีใจนะตอนนี้เราไม่ไดีใจนะที่เราได้ของใหม่อะไรแต่กลายเป็นเราเรากลัวว่ามันจะจะจะจะสึกหลอแทนอย่างเงี้ยครับก็เราไ็่จะนะมันต้องสึกหรอ่ออันนี้จางต้องแปลว่ามันต้องสึกหล่อห้ามมันไม่ได้อนตาตตาต้องอยากพอผลิตมาแล้วเนี่ยมันก็เริ่มเสื่อมไปเรื่อยๆนับถอยหลังไปตั้งแต่มันมันที่มันเป็น เป็นของขึ้นมาเนี่ยมันก็เริม่มเสื่อมไปหมดถึงแม้จะไม่ใช้เป็นจอดที่ไม่ไปเรื่อยๆมันก็เสืมม่อมวมดไปตาม ก, การตามเวลาไปเองคือคื อ, อประเด็นที่เชื่อมโยงก็คือว่าอย่างอย่างกําลังมีมันก็ไม่เชิงว่าเป็นความสงสัยแต่ว่าแค่แค่เราเราก็อยากจะแบบเหมือนกับมีหลักเกณฑ์หรือมีมาตรวัดในทุกๆ ก, การปฏิบัติเนี่ยว่า ว่าเออเราสร้างเหตุโอเคว่าเราสนใจแต่การสร้างเหตุก็พอเราไม่ต้องสนใจผลที่จะเกิดขึ้นอันนี้ก็ก็เป็นเป็นเรื่องที่ถูกแต่เราก็อยากรู้ว่าเอะแล้วเหตุที่เราสร้างเนี่ยมันมันถูกหรือไม่ถูกเพราะว่าเพราะว่าเวลาที่เราปฏิบัติไปในดูความคิดไปยกตัวอย่างเช่นในอดีตพระเทวทัศน์เนี่ยก็เคยได้ถึงอภิญยาห้าอย่างเงี้ยซึ่งมันขาดอีกแค่นิดเดียวเขาก็จะตัดกิเลสได้แล้วเขายังพลาดได้เราก็เลย อยากอ จ, จะรู้ว่าเอ๊ะแล้วแล้วเราจะเป็นอย่างนั้นไหมนี้ว่าเรายังปฏิบัติไปไม่ได้ไกลเหมือนอย่างเขาเลยเราก็จะจะสําเร็จหรือจะพลาดนี้มันมันก็มันก็พูดยากใช่ไหมครับถ้าเรายัางมีครอบครัวอยู่มีงานมีการอะไรอยู่นี้ก็ยังยังอีกไกลถ้ายัางตัดของมุ่งที่ไม่ได้มันไปตัดกิเลสที่มันไม่อยดอ่อตัดไม่ได้มันตัดของภายนอกให้ได้ตัดด้านโน้นเสริญอน้ คนตัดอะไรต่างๆต้องอยู่คนเดียวให้ได้ก่อนอยู่แบบนั่งน้อยสันโดดให้ได้อันนั้นนะทีนี้เรียกว่าตัดได้บางส่วนนะก็คือฉะละก็ต้องไปบวชถ้าไปบวชได้นี่ก็แสดง ว, ว่าตัดไปได้ครึ่งหนึ่งมาแต่ยังมีสิ่งต้องมาตัดที่มันยากก็คือกายเวทนากับจิตเนี่ยตอนนี้มันยาก เราจะพูดยังไงมันก็เป็นการหลอกตัวตัวเองว่าเราไม่ติดแล้าเราอยู่เราอยู่แบบไม่ติดแล้วมันก็เป็นการหลอกตัวเองไปถ้าไม่ติดแล้วไปอยู่ทำไมใช่มที่มันอยู่ด้วยการเพราะมันติดอะไมันถึงอยู่ด้วยกันถ้ามันไม่ติดมันก็ไม่อยู่ด้วยกันคําว่าติดมันแปลว่าอะไรคำว่าติดมันก็มันต้องติดกันใช่ไหมมันไม่หูุใช่ไหม นี่คือว่านผลของการปฏิบัติของเร า, เ, าเราปฏิบัติไปที่ไหนถ้าปฏิบัติก้าวหน้าเราจะเริ่มตัดของภายนอกไปเรื่อยๆรับสมบัติก้าของเงินทองอาจจะลดน้อยลงใช้ของแบบสันโดดมากน้อยใช้ท่าที่จาเป็นเสื้อผ้าอาจจะมีแค่ไม่กี่ชุดก็ะป๋องทำเรานี่ดูลูกเสียงเงินแล้วก็ดูให้มันน้อยลงอะไรเสพให้มันน้อยลงไป อ น, นี้คือเป็นการมัดผลการปฏิบัติคือถ้าเราได้ความสงบได้ความสุขจากความสงบแล้วมันก็จะทุกอย่างมันจะจืดชืดไปแต่ถ้ายัางตอนนี้ยังติดตามมือบอลโลกอยู่นี่นก็แสดงว่ามันยังไม่จืดชืด ตอนนี้เราไม่สนใจมันเริ่มไหมใครจะแพ้ใครชนะใครจะเข้ารอบไม่เข้าร่บอะไอย่างเงี่ยแสดงว่ามันเริ่มเจ็ดชื่อแล้วสนใจไหมครับแต่ทีวีที่โยมไม่ได้ดูทีวีมาหลายปีแล้วไม่ที่บ้านไม่มีทีวีด้วยก็ด <c oughs> ีก็ดี้็แสดงว่าตัดตัดส่วนนี้ไปได้ครับมาดูส่วนอื่นที่เรายังมีอยู่ว่าตัดกัน ไ, ได้ไหม ก็คือคือคือขออนุญาตเรียนถามนิดนึงเขาอาจจะรบกวนเวลาท่านอีกนิดนึงก็คือคือคือโยมมองว่าว่าก็คือว่าโอเคว่าอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าคือโยมยังปวดไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามีครอบครัวก็ก็เป็นเรื่องจริงแต่โยมก็มองว่าโยมก็แค่แบบทำตามหน้าที่หน้าที่ของความเป็นพ่อหน้าที่ของความเป็นสามีไปเฉยเฉยคือคือคืออาจจะด้วยความไม่พร้อมคงยังไม่สามารถที่จะบวชได้อย่างเงี้ยแต่ก็ก็มองว่าเราก็แค่ทำตามหน้าที่อย่างเงี้ยอันนี้มันมันก็ ข้ถือว่าถูกหรือว่ามันยังไงก็ต้องลงเอยด้วยการบวชนะครับอาจารย์หน้าที่ของคารวาสเนี่ยหน้าที่มันก็ยังเป็นหน้าที่ของของโลกอยู่นะแล้วก็ไม่เวลาไปทําหน้าที่ของธรรมของการปฏิบัติธรรมถ้ารไม่ปฏิบัติทําหน้าที่ของการปฏิบัติธรรมมันก็ก้าวหน้าธรรมไม่ได้มันก็ก้าวหน้าธรรมโลกไป ยังดูครอบกลัวไปลูกจะานิ่มเติบโตขึต้น ม, มาอะไรไปไมันก็ได้ผลทางโลกไปแต่ทำาก็ไม่ได้ เ, เพราะไม่มีเวลาไปปฏิบัติให้ใหมากกว่า ท, ที่ที่ปฏิบัติอยู่ในขณนะนี้โอเคครับใช่ไหม คืองานปฏิบัติเนีน่ถ้าจะเอาจริงๆนั้นมันต้องปฏิบัติทั้งวันทั้งคืน24ชั่วโมงโกเว้นเวลาหลับแล้วก็ทุกวันไม่มีวันหยุดถ้าจะป่าพิเรยิงๆถ้าจะทำการจัดพิเัญหาให้หมดประหยัด้มันต้องปฏิบัติแบบนั้นช้าเอาแค่เพียงวันละชั่วโมงสองชั่วโมงนี้นยั ง, ย, งยังไม่ถือว่าเป็นอาชีพ ถ้าเป็นนักตีคราฟต์กเป็นนักมือสมัครนล่น <c oughs> ไปซ้อมตีเสาว์าวทิตอะไรอย่ <c oughs> อยางนี้ในนี้ไปลงสนามแข่งคพวกมืกโปรไม่ได้ <c oughs> ร้อนนี่เขาฝึกซ้อมทุกวันเขาไม่ทําอย่างอื่นถ้าพวกมือโปรนี่อาชีพของเขาก็คือตีครับต์ถ้าเาอยากจะเป็นนักปฏิบัติธรรมเราก็ไม่ทําอย่างอื่นนอกแต่ปฏิบัติธรรมอย่างเดียวครับ <c oughs> อันน้เป็นมืออาชีพได้ถึงจะได้มากได้ผลจริกๆท่นนี้ถ้าเป็นปฏิบัติแบบมือสมัครเล่นมันก็มักผลมันจะไม่ได้ไมันอาจะไ ด, ไดะ้ได้ความสงบเล่ดนดอยความเข้าใจหลักธรรมเล่นดนอยอะไรพอปล่อยวางแม่นวลในนีไ้ได้มากเลยครับใช่ไหมเราก็ลองดูเปรียบเทียบดูนะ นี้นเขาไปบวกรึยังไหงถ้าครปฏิบัติัได้ได้ผลแบบที่คนอยู่เขาว่าไม่บวกร้ายมันเสียเวลาอุตจ้ า, จาก็ไม่ต้องไปอยู่ในวังแสนี่สบายครับแล้วก็เคย ค, คิดอย่างนั้นเหมือนกันว่าอย่างงี้ถ้งนั้นขนาดคนฉลาดอย่างพระเจ้าท่านกคงไม่ต้องไปบวชท่านก็คงอยู่อยู่ได้ครับทําหน้าที่เป็นเป็นกษัตริย์ไปด้วยแล้วก็ปฏิบัติธรรมบรรลุผลที่พานไปด้วยมันได้ก็ดี มันขัดกันคนละทางกันโอเคนะครับขอบคุณครับอาจารย์กุนทานาพลต่อกอทัพ อ, อีเหมือนกันเสียงวันนี้ไม่คดีเลยกุนทนาพลเสียงอวีครับวันนี้วันนี้การใช้ใกลน่ สัญญาณสัญญาณไม่ค่อยดีครับวันนี้มาวังน้ำเกลือครับนั่นมันสื่อว้ถวายครับอโอเคคร้บอ้าวเช้านี้ก่อนเนะช้านี้ก็ได้ไปครับขาดขาดหาปฟังว่าใครรู้เร <c oughs> ื่องนี้สัญญาณสัญญาณไม่ค่อยดีครับโอเคเครับไม่ดีลำแสครับโอเคอ่าถูอ่าคุณแคร์แค่คุณแคร์ต่อ อู่่ที่ไหนคุณแกลแกลไม่ไขแข็งไม่ไ แ, มไแคดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะหนูใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่หนูชื่อหนูหนูบ้านอยู่เมืองนนท์ค่ะต้อชื่ออะไรเชื่อที่เชื่อเก๋ค่ะอ๋อชื่อเก๋ตอนนี้มาเรียนอยู่ที่ชนบุรีค่ะมาทำอะไรที่ชนบุรีเนี่ มามาเรียนปริญญาโทค่ะพระอาจารย์ที่ไหนที่มันที่ทมองไม่ะขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์อ่าทำไมไม่เปิดกล้องก็งไม่เห็นหน้าเลยหนเขินไม่เปิดได้ไหมคะไม่ได้เนระคนอื่นก็เห็นหน้าแล้วหมดเราไม่เปิดคนเดียวต้อเปิดรพระอาจารย์ต้องต้องเปิดใช่ไหมคะพระอาจารย์อ่ก็เมันก็ยังเปิดอยู่นะ วันนี้ไปไปิดทำไมได้ค่ะว่ามาคือว่าเออหนูหนูมีความสงสัยมากๆเลยค่ะคือหนูว่ามีโอกาสได้ไปทำงานต่างประเทศค่ะแล้วก็คือไปในพื้นที่ที่เสี่ยงมากๆแล้วหนู คือหนูเป็นคนที่หนูรับราชาการแล้วก็ทําหน้าที่ในการดูแลประชาชนค่ะเสร็จแล้วหนูมีโอกาสได้ไปไปทํางานต่างประเทศเอ่อเป็นพื้นที่สู้โลกค่ะแล้วก็ประชาชนลําบากมากน่าสงสารมากแล้วก็เสี่ยงมากหนูติดมาลาเลียสองครั้งเกือบตายแล้วเมื่อกในจิตของหนูอะค่ะที่มีความมุ่งมั่นเอ่อหนูหนูแบบ หนูอยากไปช่วยคนคที่นั่นอีกคือหนูไม่ได้ดไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้อะค่ะอาจารย์ได้ยินใช่ไหมครับใได้ยินค่ะคือหนูมีโปรเจกต์หลายระย่างที่จะทําเพื่อประชาชนที่นั่นแล้วก็เอ่อคือสิ่งที่หนูทำอะค่ะสิ่งที่หนูรู้คือแม้กระทั่งการเรียนทุนนี้หรือการเรียนใน ปริญญาตีอ่าปริญญาเรยนใบต่อต่อไปอะค่ะหนูก็มีคําเพื่อโปรเจกที่หนูจะไปช่วยคนตรงนี้มันเป็นเพรความอยากของหนูหรือเปล่าคะเพราะว่าหนูคนไม่ได้จริงๆที่หนูจะไม่กลับไปช่วยเพราะว่าอ๋อเป็นความอยากที่ดีถือว่าเป็นทานบาลมีเมตตาบาลมิไม่เสียหายเนาะไม่เสียหายใช่ไหมคะือหนูหนูกล้าพูดว่าหนูสามารถตายที่นั่นได้ อ, อตสิ่งี่เราวกิดเร า, ามีบารามีมาทำทานทำเมตตามเป็นโพธิสัตว์นี่เขเรียกเป็นพกโพธิสัตว์อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นขอบคุณค่ะหนุโมดคำถามโอเคไม่อยากจะสร้างบารามีอื่นต่อนะสี่บารามีในธรรมาบารามีอะไรนีน้มเข้าไปปฏิบัติธรรมอยู่นะคะทีที่วัด จ, จะได้พัฒนาจิตใจให้สูงขึ้น เ, เริ่มต้นด้วยเมตตามารมีนั่งทานบาลมีนั่งตอไปก็ศีลบาลมีศีลห้าแล้วก็วกต่อไปเมตไไมข ม, มารบาลมีศีลแปดการเรียนเยอะๆเพื่อมาช่วยเหลือผู้อื่นไม่เป็นไรใช่ไหมคะอาจารย์ไม่เป็นไรแตบเพียงแต่ว่ามันก็ทําให้เราไม่พัฒนาที่ให้มันสูงไปกว่ น, นี้ยยังมีถ้าเรา ถ้าเราพอใจถ้าเราพอใจปัญญาตีแล้วก็แคะนั้นถ้าอยากจะเรียนต่อก็ต้โทเอกรอยู่อันนี้เปรียบเทียบบาลามีก็มีระดับหลายระดับระดับที่เราทำอยู่เป็นระดับขั้นต้นเนียทานกับสีทานเวตากับทานบาลามีเราต้องเพิ่มเป็นศีนักษาสีห้าไม่เบียบเบียนพูดเรื่งน่าจะมีอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเราชอบช่วยเหลือคนอื่นมาพร้อมจะไม่ไปเบียบเบียนคน อันจะมีศีลบาลีด้วยแต่ยังอาจจะไม่มีในคัว่าคือยังไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ละการแสวงหาความสุทางตางมจะมูกด้วิกายรับถือศีลรัสยรับงามอยู่บ้างคะ่ะ <c oughs> อันนี้ก็พูดเกินไปท่านเงนนะถ้าตอนนี้พอใจกับการทำงานอย่างนี้ก็ไม่เสียหายตรงไหนแต่ว่ามันมีจิตที่จะต้องพัฒนาขึ้นไปอีก หลายระดับเลยครับถ้าเราต้องการที่จะพัฒนาใจของเราให้สูงขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นโอเค okay, นะใช่ต่อคุณชเนะเชิคุณชนะนามาส ก, การครับอาจารย์อยู่ที่ไหนอยู่ปถุงธานีครับถูกมาบันมีอะไรัหม ก็ปฏิบัติเรื่อยครับวันนี้ก็ไปบริจาคเลือดนะครับครับอันนี้ก็ทานบารมีเหมือนกันครับบริจาคเป็นประจําครับปีละสครั้งใช่ครับแล้วผมกำลังเปลี่ยนเป็นเดือนละครั้งครับพอาจารย์ครับเป็นเกเลือดเวลาบริจาครู้สึกงใดมีครับสุขบ้างนะมีความสุขครับ อิ่มครับเหมือนแบบเราเย็นๆครับอย่างลูกก็ถือศีลห้าอยู่แล้วครับก็มีนั่งสมาธิแล้วก็บางครั้งนั่งไม่ได้ก็รู้สึกตัวเอาทั้งวันแล้วก็พยายามรู้ความคิดครนะพยายามหยุดความคิดหยุดความคิดอย่าปล่อยให้มันคิดครับแล้วก็ตอนนี้ก็เรื่อ ง, งระงับอารมณ์พวกโกรธอะไรพวกนี้ก็ ดีขึ้นครับไม่ไม่ค่อยโกรธรู้แล้วก็ตัดตัดลงได้ง่ายก็เหมือนเหมือนแบบชนะชนะจิตใจทำให้เรามีความสุขชนะความโลกได้มากกว่าโลกโลกก็ชนะได้เป็นบางครั้งบางครั้งก็แพ้ครับสู้วนตลอดชนะทั้งโลกทั้งโกรธทั้งหลบนะครับโอเคไม่มีอะไรแล้วใช่ไหม ไม่มีอะไรครับปฏิบัติเรื่อยๆเด่๋ยวา้ากนะ้าวหน้าอย่างเดิมแล้วเดี๋ยวมาส่งการบ้านทุกวันพุธครับกลับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับคุณตายเชิญคุณตายเดีพัทยาน้องกลับนมัสการครับพระอาจารย์ไม่มีอะไรคะ่ะเข้ามาฟังธรรมะจากพระอาจารย์ค่ะก็ยังปฏิบัติอยู่นะก็ปฏิบัติ ปฏิบัติอยู่ค่ะพระอาจารย์ของเก่าไม่มีมันก็ยากค่ะพระอาจารย์ก็ต้องสร้างของใหม่ขึ้นมาเนี่ยแล้วแล้วต่อบมามันก็การของเก่าทำไม่สร้างมันก็ไม่มีของเก่าเนี้สร้างวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าของวันนี้ก็การเป็นของเก่ามันบางทีมันก็ยากนะคะพระอาจารย์บางทีหนูยังคิดว่าหนูอยากจะตายไวๆแล้วก็ ไปเกิดอีกทีหนึ่งจะได้มีของเก่าใช้แล้วก็จะได้ใช้ของเก่าเข้าไปบวชเลยมันก็มีเนี่ยก็สมมติพรุ่งนี้ยอมก็จะมีของเก่าวันนี้ที่ทำวันนี้มันก็เป็นของเก่าพรุ่งนี้อแต่ก็ยังอยากให้มันเร็วๆแต่มันก็ไม่เร็วดังใจแล้วก็ไปไม่ได้หนูก็นั่งนึกขำตัวเองนะค่ะว่าก็คือมันก็มัน มันลงทุนน้อยแล้วจะมาให้ได้กําไรเยอะได้งไงล่ะ น, นั่นนะสิค่ะบางทีหนูก็ว่าเราทําชาตินี้ก็ได้แค่ฐานบารมีหรือไม่ก็ะทัสิบารมีก็กกแก๊กแล้วถ้าเราไปเร็ววันนี้ก็น่าจะดีนะอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็แบบก็ไม่อยากฉูมันไปเร็วได้แต่ต้องทําต้องต้องทําเยอะมันถึงจะไปเร็วถ้าทําน้อยมันก็แปรช้า <c oughs> การงานมันรักฐานมันก็มันก็กว่าจะเป็นตัวพัฒนาเนี่ยถ้าตัดวันละทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเดี๋ยวมันเดียวมันก็แต่งนะค่ะนะอาจารย์ต้องขยันปฏิบัติให้มากๆแล้วผลมันจะตามมาเองมันไม่เกิดจากความอยากถ้าเกิดจากความอยากได้ผลเยอะๆมันมาก็ดีนะไม่ต้องบั่นทอนอินเดียไม่เฉยแล้วก็มันก็มาค่ะมันเป็นไปไม่ได้นะอ่ะพระอาจารย์ <Okay. S 2> จะให้ย้งถังค่ะจะอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์เนี่แต่ก็ยังมันเต่า อ, อยู่เลยเตาดีกันก็ตายก็ตายทําทําเป็นพักๆทําแล้วก็หยุดทําแล้วก็หยุดก็ตายไม่เป็นหยุดงันงั้นหนูคงเป็นก็ตายตนนหนูคงไม่เป็นตตาเป็นเตาอันนี้เตามันทําแบบไม่หยุดก็ตายทำแล้วทาแล้วก็หยุด จ้าอาจารย์จะ <หา S 2> <ห>พยายามเป็นเต่า อ, อ่ะอเปลี่ยนชื่อใหม่นะเปลี่ยนจากตาเป็นเต่านะครับะพระอาจารย์สาธุค่ะบางวัน บ, บางวันจอยมงมอยากสีาชาพัสการค่ะเดี๋ยวพวกนี้ถ้าเจอพี่ป่ายเดี๋ยวต้องเรียกต้องเรียกพี่เต่าแทนนะคะก็พระอาจารย์ครับเมื่อวันที่ไปเยี่ยมคุณพ่อค่ะ ที่สระบุรีแล้วก็พ่อเขาน่าจะอายุเล่ยกับพาสานแต่ว่าพื้นฐานพ่อเขาไม่ค่อยดีเพราะว่าเ อ, อตั้งแต่เด็กๆมาก็เขาก็ต้องสู้สู้เลี้ยงชีพตัวเองเขาก็เลยไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการสวดมนต์ใส่บาตหนูหนูก็อธิบายให้พ่อเขาฟังว่า อ, อพ่อแก่แล้วนะเดี๋ยวไม่นานพ่อก็ต้องเสียอะไรเงี้ยหนูกปให้พ่อเขาบอกว่าหัดสวดมนต์เขาบอกว่าสวดมนต์ไม่เป็นหนูก็เลยบอกว่า งั้นเอาค่พูดโทนนะพ่อเขาก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรแล้วหนูก็เหมือนแบบพยายามเอาข้อมูลให้อ่านอะ่ะเขาก็ผลักค่อยๆผลักมือหนูออกแต่ถ้าถ้าเป็นเมื่อก่อนหนูคงจะน้อยใจแต่เมื่อคราวนั้นน่ะหนูก็หนูก็กอ๋องั้นก็ไม่พูดแล้วกันพรว่าเขาคงไม่พร้อมที่จะรับก็เหมือนกันรู้อย่างเดียวว่าถ้าพ่อเสียก็คงต้องทําบุญให้พ่ออะไรยเงี้ยค่ะอันนี้มันก็คืออุบัยอย่ายนึงไหมเจ้าคะ่ะ ได้มันก็ทําดีที่สุดแล้วมาทําหน้าที่ของเราแล้ว น, น, นั่งแนะนำแล้วะเมื่อเขาไม่ไม่ยินดีก็ทํำไปไม่ไไมมน่าไปบังคับเดยเขาก็าจะโกรธเราถ้าเราทำแต่เขาคงเข้าใจค่ะหนูหนูว่าแต่หนูก็ไม่ไม่พยายามไปบังคับเขาเอาอที่เขาทำได้ค่ะเราก็ต้องเข้าใจว่าเขาอย่างรั้ไม่ได้เขาอย่างจิตเขายัางไม่พร้อมค่ะค่ะงั้นก็เราเรามาสร้างความเพียรของตัวเราอเองดีกว่า ใช่คนเองเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นหน้านที่ของเราจริงๆ ก, ก็อยากไปยุ่งดี่าค่ะค่ะหนูน้อมนําปฏิบัติเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะอ่าคุณสุภาธนาจะบอกเองเจ้ากรรมธรรมสถารพระอาจารย์แต่พาก็วันนี้วันนี้ได้คําตอบหลายคำตอบเจ้าค่ะพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องสติปัญญาที่พระอาจารย์ แสดงทำแล้วก็ อ, อตอนนี้ก็เพียรเรื่องสติกับสมาธิจ้ะคะพยายามสติกับสมาธิก่อนจ้ะคะพยายามเพราะว่าเพราะว่าถ้าในในขณะที่นั่งเนี่ยครับระอาจารย์ถ้าสมมติว่าเราเราเ อ, อเหมือนกับถ้าจะบอกว่าเพ่งเพ่งดูลมหายใจแต่เราก็คือพยายามพยายามจดจอ่อมันอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าให้บอกน้องคนนั้นว่าให้จดจอ่อันนี้ก็คือ เป็นการดูให้จนจิตรเราสงบไปเองนี้ใช่ไหมคะจนจนเจ็บ น, นั่นเองถ้ า, าจดจอมันก็จะไปคิดทั้งนั้นั้ ง, งนี้ไม่ได้ไไดเดี๋ยวมันจะแน่นสงบเป็นสมาธิขึ้นมาได้ดค่ะโคโอเคเคยเคยนั่งไปแล้วก็มันเหมือนกับว่าในในในในที่ขณะที่เราหลับอ่ะมันเป็นเหมือนกลวยน้ำนะคะอาจารย์มันหมุนหมุนหมุนลงมา แต่ก็ไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้สงสัยอะไรเพียงแต่ว่าคิดเอาเองเว่านั้นมันเป็นเหมือนกับว่าคิดเรามันดีน้ำมันรวมน้ำมันรวมแล้ไม่เจ็บรวมกันใช่ไหม้็ค่ะคก็พยายามนั่งไปเรื่อยๆอย่างนกได้ได้ครั้งหนึ่งเกินครึ่งชั่วโมงอยู่จ้ะคะ่ะพระอาจารย์อตอนนี้ก็กําลังเพียนตรงนี้จ้ะค่ะอาจารย์ต้องสติไปก่อนไม่ต้องไปกังวลกันเรื่องนึงค่ะ ก็จำคำของพระอาจารย์ว่ะเดินไม่ทันแล้วตรงนี้ต้องวิ่งแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เอาตรงนี้มาสอนตัวเองด้วยเจ้าค่ะอืมนี่ก็ค่ะหาทูหาทูก็ค่ะพระอาจารย์คุณมาลีมุตากาเนครธรรทําัยกลัลวงพ่อค่ะหลวงพ่อครับที่หนูบอกหลวงพ่อเมื่อชิปที่แล้วว่าไม่ได้ไปแล้วอยู่ๆก็ได้ไปที่วัดป่าค่ะก็ ก็เลยได้ได้ไป อ, อยู่มามันก็น่ากลัวเหมือนกัน พ, พ่อแล้วก็มืดแต่ว่าไม่ได้อยู่ปุดเดียวนะคะอยู่ก็เลยได้อยู่แบบรวมแบเ น, นะะี้ยค่ะทีนี้พอพอไปปฏิบัติมันมันทำให้เราเห็นเห็นความจริงอย่างคนที่เคยสวยเคยงามตอนนี้ก็เริ่มแก่แก่แล้วก็ เหมือนมันหนูมองเห็นว่ามันไม่มีอะไรเลยอย่างนี้นค่ะหลวงพ่อแล้วก็มานึกถึงตัวเองว่าต่อไปมันก็ไม่พ้นมันก็ต้องมันก็ต้องเป็นแบบนี้แล้วมันก็ไม่มีอะไรจริงๆอย่างนี้นค่ะหลวงพ่อแล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนเหมือนอยากอยู่แบบไม่อยากเหมือนอยากอยู่กับตัวเองให้ให้มากขึ้นอย่างนี้นค่ะหลวงพ่อมันมันรู้สึกแบบแบบนี้นค่ะหลวงพ่อใช่มันอยากอยาไม่ยุ่งกับอะไรนะใช่ใช่ค่ะหลวงพ่อ แล้วทีนี้พอเราไปเจอคนเยอะเยอะอย่างนี้ค่ะแต่ว่าจิตมันก็มีความรู้สึกว่าเหมือนรับรับได้เห็นเห็นแล้วก็เหมือนเหมือนไม่มีอะไรอย่างนี้ค่ะหลวก็ความรู้สึกมันบอกแบบนี้ค่ะใช่ใชเห็นแล้วก็ใช่ใช<ห>ค่ะเรางอก็ดีก็ใชยๆไปย่าไปรักไปชั่งไปคิดว่าเป็นนุ่งเป็นนี่มันเป็นแค่ธรรมชาติดินน้ามลมใครค่ะแล้วพอกลับ กลับมาบ้านมาเห็นลูกเห็นคนในครอบครัวมันเหมือนเหมือนใจเราอ่ะมันเหมือนมันถอยลงไปนิดนึงเริ่มไม่ใชนิดนึงเหมือนเหมือนเรายอมรับกับสิ่งที่มันเป็นมันเกิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนสิ่งที่มันเคยทุกเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันก็เหมือนว่าก็มันห้ามไม่ได้มันต้องเกิดมันต้องเป็นอ่ามันเป็นอย่างเงี้ยเรายอมนะยอมหยุดเย็นใช่ใช่ค่ะหลวงพ่อ ยอมหยุดยอมแล้วก็ยุดหยุดระยุ่ ข, เ ข, ขเขาไหวเขาขึ้นไปตามธรรมชาติของเขาเอาเสียงหายไปคุณนาบีนีดด้ดีๆเสียงหายไปไม่ได้ยินเลยหลวงพ่ <ผม S 1> อยินห น, นมาแล้วก<ม>ับมาแลคือถ้ามีเวลามันอยากจะไปสงบแบบอย่างนั้นนะคะหลวงพ่ออยากไปอยู่แบบ คนดีว่ะเพรากาำสงบนี่เป็นคำศัพท์ที่ที่ดีที่สุดค่ะหนูหนูก็เลยว่าเดี๋ยวเสาร์เนี้ยเสาร์อาทิตย์เนี้ยหนูมีคนเขาแนะนําอีกที่หนึ่งถ้าถ้าได้ไปปฏิบัติที่เนี่ยมันจะเป็นแบบกุดเดียเด่ยวๆอย่างนี้นค่ะหลวงพ่อแ ล, แล้วหนูหนูหนส่องเข้าไปดูในใน ใ, ในเว็บแล้วอะค่ะมันมันเป็นเหมือนป่าเหมือนเขาแล้วมันก็แบบ เงียบมากเลย อ, อย่างนี้ค่ะเราไปดูอาจจะไปดูเล่นไปบ่อยๆใช่อาจจะยั่งอยู่ที่นั่นไปก็ได้ตอบไหมเดี๋ยวเราไปเจอที่เราชอบแล้วก็อยากจะไปอยู่ที่นั่นเลยเสียงหายไปเรื่อ ย, อยท่ายายของคุณไม่ค่อดีเลยเสียงไม่มาเลย ใช้หูฟังก็ได้ต้องทอดออกหรือปัด ม, มันนนวมควมอาจจะไม่ดีก็ไดนะ้ต้องถอดถอดป้ดออกแล้วพูดผ่านทางเครื่องหนะูไม่ดีเลยอ่ามาแล้วมาแล้วค่ะขลงอ่าโอเคอาจจะเป็นปัดไม่ดีก็ไดนะ้ปัดหูฟังอันจะไม่ดีขหลวงพ่อ <c oughs> มีอะไรไหม ไม่ได้ยินใช่ไหมหลวลงพ่อได้ยินหนูไหมคะอ่าได้ยินแล้วตันนี้หายไปแล้วอาจจะเป็นสัญญาณก็ไดนะ้สัญญาณภาพมันดีเลยนะเสียงก็ไม่ดีหลวงพ่อครั้งนั้นเดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนก็ได้คะ <Okay. S 2> ่ะหือลบโทรศัพทอื่นเดี๋ยวไว้หู มาวันพุธหน้าอีกทีหนึ่งก็ได้ค่ะรืลองกับเขาโอเคถ้าไม่มีอะไรก็อให้ก่อนแล้วกันนะเงินมันไปดีค่ะค่ะเงก็ฝาไหน่งไแล้วกันนะติดตามไหมฝากหลวง้อที่คุณยินดีจะยินดีจะ take cancers USA ท่านอาจารย์ลูกไม่มีอะไรค่ะเดวิดฝากกลาบท่านผ่อาจารย์ค่ะพร้อมกับบอสซองเต้ค่ะท่านอาจารย์ขอบคุณมาก ขอพระคุณมากค่ะท่านอาจารย์ก็ขอฟังทำแล้วก็เรียนรู้จากประสบการณ์ของทุกๆ ท, ท่านกันท่านอาจารย์ขอพระคุณมากค่ัท่านอาจารย์บคุณหมอวีห <Okay. S 1> <อ>มอ ม, มือพันพิสูจน์โลกเป็นยังไงคุณหมออาจารย์ค้กลับมาสการครับผมเดี๋ยววันมันจันรครับได้ไปเขาชีโอนแล้วครับอาจารย์ครับครับมันนะครับผมอยู่แล้วกับวันพุธนะครับอาจารย์อเดี๋ยว เดววันอาทิตจัดรายการพระอาจารย์ก่อนนะครับตอนเช้าค่อยค่อยับามได้ครับอาจารย์ครับยังกลับว่าจะไปน่าุดก่อนไปฟังธรรมอาจารย์ก่อนขึ้นคำมันจร์มันหยุดพเดนะมันหยุดชดเชยมันรอดธรรมันหนุนมาไดครับอาจารย์ครับจก็ก็กลับเพียงอาจารย์นะครับเดี๋ยววันจันทร์ไปกับอาจารย์นะครับโอเคถาั้นสุาครับคุณชานิสา จากญี่ปุ่นโตเกียวเหรอโตเกียวค่ะพระอาจารย์มีอะไรมั้ยวันนี้ไม่มีคำถามค่ะเดินไปไหมนะอาจารย์ค่ะเมื่อกี้คุณเกตหายไปต้องทามคุณเกตไปมานี้คุณสเลนทอนสเลนทอนจาก USA. อเมริกาถาทวีสการ การัำพิการพระาจารย์เจ้าค่ะวันนี้โยไม่มีคำถามไม่มีอะไรค่ะเข้ามากราบพระอาจารย์ค่ะคทราบประวัติชื่อเมอื่องนั่นไันชื่ทำไมเขาตังเรือ่องแม่อะไรไม่รู้ค่ะไ ม, ไม่ไม่เคยสนใจถามถามดูทาไมเขตั้งชื่อแมรี่อะไรตอนนั้นต้องมีแวรี่มาเกี่ยวยอะไรขแม่หรือเปล่าขาแม่มาอะไรหรือเปล่าอาจารยหรือป๊อ <laughs> <laughs> เันทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปฮะเพราะมันชื่อมันก็มันทุนดเราต้านขึ้นมามันต้งองมีเหตุผลเดี๋ยวยมจะไปกูเกิลอาทิตย์นี้ค่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้ายงกับน้ำค่ะน่าจะอะไรประมาณเนี้ยค่ะพ่ะย่ะ <c ười> เดี๋ยวลองดันค่ะดานสบายดีนะคะยงเข้ามากราบค่ะไม่มีอะไรทำงานที่ทํางานอยู่แนละ้ว วันนี้ทํางานค่ะแล้วก็ก็ต้องก็ยังปฏิบัติเรื่อยๆอยะะ่าค่ะพระอาจารย์ก็สมาธิก็ก็คิดว่าใช้ได้อยู่อาทิตย์นี้ เ, เวลามีได้เร็วขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยมีอารมณ์พยายามนัง่งใมากกว่าดูนะแล้วก็ลดนั่งก็ได้มาาขึ้นมาขึ้นเรื่อยแล้วก็นั่งได้หาเดีย ว, วก็นั่งได้ยาวขึ้นค ก็ยังปฏิบัติต่อเนื่องต้องกราบขอขอบคุณพระอาจารย์ยูคาพรอาจารย์ยูเท็กซัสยาร์ดสการ์เดลกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะรูงไม่ทราบชื่อเท็กซัสนะเจ้าค่ะแล้วไม่อให้คุณอยู่ชื่อเมืองอะไนะอ่าจัสตินเจ้วค่ะเจ้าค่ะที่มีโรงงานผลิตรองเท้าบูอนะคะเจ้าค่ะ คอบูทเท็กซัสนะคะยูสติสัปดาห์ที่แล้วลูกไม่ได้เข้ามาลูกไปเอไปสเตจพักกับสา ม, เมีเจ้าค่ะก็เลยไม่ได้เข้ามาก็ก็ทําให้นึกถึงคําสอนของพระอาจารย์ตลอดคือที่ลูกเข้าใจนี่คือหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราฝึกมาเพื่อให้เราฝึกเพื่อที่จะเรียนรู้กับการยอมรับใช่มไหมเจ้าค่ะ ถ้าร<อ>ับความสุขถ้าเรายอมรับทุกสิ่งทุกอย่างได้เราก็จะมีความสุขไม่ต้องไปไดิ้นรนหาวความสุขคนข้างซูมันอยู่ข้างหน้าเรานี่คือเรายอมรับมันหรือไม่เ้าไม่ยอมรับมันก็เลยกลารในความทุกข์ไปแล้วเครื่องมือที่ที่พระพุทธเจ้าท่านให้มาก็คือเครื่องมือที่ทํา ใ, <ห>ให้เรายอมให้เรามีกําลังในการที่จะยอมรับกับกฎไตรลักษณ์ทุกอย่างใช่ไหมเจ้าคะ ก็คือสติก็จะได้มีอุบเบกขาพอมีอุบเบกขาแล้วเราพิจารณาทุกอย่างว่าเป็นตายรักเราก็ยอมรับแต่แต่ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ฝึกเราก็จะไม่มีกําลั ง, ลงที่จะไม่มจะรู้ว่ามันเป็นธรรมะเป็นตายรักก็นับมันไม่ได้ยอมไม่ยอมเวลาครจ่ายเราไปยังไม่อยากให้เขาไปอยากอยาให้เขากลับมา เศร้าโศกเสียใจรับไม่ได้รับคําจริงไม่ได้ยังรับความจริไม่ได้นะค่ะเพตอนนั้นไม่ว่าอะไรเมื่อว่าไม่ว่าอะไรที่เราฝึกมาก็เพื่อฝึกที่จะให้เรามีกําลังที่จะยอมรับกับสิ่งที่เผชิญในปัจจุบันทันด่วนเลย ต, ตอนนี้ใครบมาด่าเราเนี้ยเราก็ต้องยอมรับนะอืม เจ้าค่ะทางราด่าก็เฉยไปถ้าเราเฉยยอมหยุดเย็ยนนะแล้วก็เย็ยนสบายแล้ไม่เหนื่อยนอนคุณจะดาาแล้วลว่าไม่ให้ด่าอยากจะด่าก็ดาก่ดาเลยคุณเหนื่อยเราไม่เหนื่อยเป็นคนฟังเป็นปเหนืห่อยยังไงเจ้ค่ะก็คําสอนของพระอาจารย์เจ้าค่ะก็เป็นความรู้สึกว่าเออเราถ้าเรายอมรับอะไรมันก็ทําให้เราสุขแล้วก็อยู่ง่ายขึ้น เหมือน<ม>อะไรนะ่ะเหมือนมักน้อยสันโดษยินดีตามมีตำเกิด่ะเจ้าคะ่ะก็สบายไม่มต้องดีไม่ต้องเจ้าใจจุกจิกนะคะมีอีกข้อหนึ่งเจ้าคะ่ะพอลูกไม่แน่ใจว่าพอลูกปฏิบัติไปปฏิบัติมามันมีข้อหนึ่งขึ้นมาบอว่าไม่ลูกมองว่าใครคือไม่ว่าอะไรก็ตามใครทําอะไรจริงๆแล้วอะ่ะทําเหมือนกับว่าบางทีเขา เขาบอกว่าทําเพื่อคนนั้นเพื่อคนนี้แต่จริงๆแล้วกลับมาก็คือทุกคนทําเพื่อตัวเองทั้งนั้นใช่ไหมเจ้าคะคือคือเป็ามขคามอนใช่เจค่ะไม่ว่าเขาจะบอกว่าทําเพื่อคนนู้นทําเพื่อเด็กทําเพื่ออะไรแต่สุดท้ายก็คือจริงๆแล้วมันทําเพื่อเพราะว่าความยึดในตัวตนที่มีคือทําจริงๆแล้วคือทําเพราะ ยังมีความเป็นตัวตนอยู่อ่ะใช่ไหมเจ้าคะใช่ถ้าไม่มีตัวตนก็ทำแต่ไม่ได้ทําอันนั้นถ้าเป็นพระพุทธเจ้าพ่อเนี่ยไม่ได้ทําเพื่อตัวเองทำเพื่อคนอื่นจริงๆเขาท่านนันท่านท่านไม่ถ้ามีความศีกเป็นเตียงในหัวใจนะท่านจะทําอะไรมันก็ไม่ได้ทําให้ความสุขของท่านมากขึ้นไปกว่าเดิมอืออันนั้นนะท่านทําให้คนอื่นท่านท่านจะทํำก็ได้ไม่ทําไปนะได้เพราะความไม่รู้ ใช่ไหมเจ้าคะ่ะไม่ไดใครแปลว่าเพราะเาะพราะความไม่เพราะปุตุชนนะเจ้าค่ะเพราะความไม่รู้ก็เลยทําเพราะว่าจริงๆแล้วเรามีความยึดติดในตัวตนแล้วเราก็ทําออกมาแล้วเราก็อบอกว่าเราทําเพื่อเพื่อเพื่อสังคมเพื่อประโยชน์ตรงนู้นตรงนี้แต่จริงๆคือความยังมีความยึดติดในตัวตนใช่ไหมเจ้าคะก็ทําเพื่อสังคมแต่ผููได้รับประโยชน์ก็คือเรา ทำแล้วเรความสุขอือเจ้าค่ะแล้วอยู่ที่ว่าเราจะเราจะรักตัวเองแบบไหนรักแบบที่มีกิเลสอยู่หรือรักแบบที่ไม่มีกิเลสใช่ไหมเจ้าค่ะใช่อือเจ้าค่ะเจ้าค่ะรักแีบรักแบบไม่มีกิเลสก็ต้องปฏิบัติทางศีลภาวนาหรือรักแบบไม่มีเพื่อไม่ให้แต่ถ้ารักแบบทางโลกก็ต้องรักอึดสาระสารสุสรสอืมเจ้เจ้าค่ะ แต่บางคนก็จะมองไม่เห็นตรงนั้นเพราะว่าเพราะว่ามันลึกมากทางทางเดินทางหนึ่งเประทางของพระเจ้าทางของทางออกจากกองทุกข์เขาไม่เห็นกันการการมองไม่เห็นในราบราบยศสารเสริญสุกนี่คือความเพราะว่าเขาไม่รู้ตรงนี้เขาก็เลยยังมองไม่เห็นตรงนี้เขาก็ทําไปโดยที่เขาไม่รู้ใช่ไหมเจ้าค่ะใช่เขาก็คิอว่านี่เป็นทางสู่ความส่ยอืม ใช่ครับเพราะเราเพราะไม่รู้ความจริวมันตามสุขความทุกข์พอเราปฏิบัติเราก็จะมองเห็นไอ้จุดตัวเนี้ยมากขึ้นมากขึ้นไอ้ก็คือจุดของกิเลส ต, ตัวนี้มากขึ้นมากขึ้นแล้วจะทําให้เราเอาเครื่องมือของพระพุทธเจ้ามาแล้วก็ค่อยๆตัดตัดปัดปัดออกใช่ไหมเจ้าคะใช่แล้วก็ตัดความโน้กก่อนดมาตัวเนี้ยอืม อย่าไปอย่าไปดูแทต่ตัวอัตตาตัวตนมากไ ป, ไปว่ามันละเอียดเราดูที่ผลที่กระจายอัตตาตัวตนด้วยความโลภความโกรธมันเห็นชัดมันเห็นง่ายกว่าถ้<ช>าทําทําด้วยความโลภเนี่ยแสดงว่าทําด้วยเพื่อตัวตวนะถ้ายังทำด้วยเหตุผลเนี่ยถึงเรียกว่าไม่ได้ทําเพื่อตัวตนยิ่งเมื่อถึงเวลากินข้าว่าต้องกินอย่างนี้ไม่ได้กินเพราะอยากอยากจะกินอืม ถ้ากินเป็นการยาเนี่ยมันกิเลยแต่ถ้ากินเพราะพอเวลาต้องเลี้ยงร่างกายนะราการมันเหมือนกินยาย่าง้นให้มันกินงนไปละเอียดมากนะเจ้าค ะ, ะจะจะมองมองให้แบบขุดให้ลึกมันละเอียดจนบางทีแบบกิเลสมันอยู่จนเราแบบโ อ, อ๊ยไม่ทานมันห<ช>รอกม<ะ>ันหลอกเราทำหลังหลอก ต, อ <laughs> ตอลอดเลยนะอย่า่าไม่นั่งคิดพิจารณาเรื่องกิเลสนะเรา่าดูดูฝนดูฝนขงดูฝนของกิเลสกรับผม อืมอารดูการเคลื่อนไหวของกิเลสก็คือความโลภตัวเดีย ว, นนะ ว, วเนี่แหะเจ้าบอกเอาแค่สามตัวนี้การมรรคานหาเพราะว่าตันหามยเพราะว่ตาวตันหาเนี้ยถ้าหยมเจ้าค่ะหยุดกันได้เนี่ย ม, มันก็หยุดตัวตวนได้อืมแล้วแล้ ว, ลวที่ที่ ท, ที่ที่พระอาจารย์ให้อยู่กับพุโทโธก็คือเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปเพื่อจะได้ไม่ต้องไปยุ่งไปไ ป, ไป เพื่นนอนจะได้มีกำงเพื่อนเพื่อนจะมีกำลังหยุดกับไอความอยากนี่อืมใช่เจ้าค่ะ เ, เหมือนกับว่ า, าไม่มีโ อ, อเบ ค, คขาพอเห็นอะไรป้มัน ก, ก็อยากอยากก็วิ่งไปเอาเลยแต่ถ้ า, ามีพุโทโธมีโ อ, อเบคขาแล้วไม่ไม่ต้องไปก็ได้เราไม่ไม่มีมันเราก็อยู่ได้อือก็คือเหมือนกับว่าไม่ว่าอะไรมันเกิดขึ้นหรือความคิดหรืออะไรที่มันเกิดขึ้นเข้ามา ก็คือให้มันเกิดขึ้นไปแต่เราอยู่กับพุทโธก็เพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปสนองตามความอยากตรงนั้นแล้วค่ะแล้วนั่นก็คือกำลังที่เราจะมีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมากขึ้นแล้วพร้อมที่จะตัดยอมลังกับทุกสิ่งมีสติมากขึ้นใจเราจะมีความสุขมากขึ้นความความอยากจะได้นูนได้นีวมันจะลดน้อยลงไปตามกาลังของของความสุขที่เรามีอยู่ในตัวเราแล้วค่ะลก ทรใจน้อมนาเจ้าค่ะกับขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณเคคณาาาจค่ะคุณบน้วัลช่มน้าทวุลกราบนวัสังรพระอาจารย์ครับนะดิบอ่าเละเลปิบัติแค่เราวันนี้เราก็ดูเรื่องของความความโลภความความอยากเนื้อสตวตัวเนี้ยครับเพราะฉะนั้นบางทีถ้าเรา บางทีถ้าอยากกินข้าวแล้เราอะไรเนี้เราก็ต้องไปฝืนมันใช่ไหมครับก็ต้องถามว่าถึงเวลากินหรือเปล่าร่างกายมันอยากร่างการมันต้องการจะกินหรือเปล่าในกิเลสอยากินครับนะถ้าเป็นกิเลสอยากกินเราก็ต้องก็<ไ>ต้องพยาาไปกินอ <ๆ S 2> <ๆ>ีอย่างเอาบ้านสุดท้ทางพามาวัดได้พามาท่านถึมื่อเดียวเนี่ครับะถ้ากินเสร็จแล้ววันนี้ก็หมดแล้วหมดสิทธิ์ ขึ้นขึ้นหลงหลงเอถ้าตอนนี้ยังต้องต้องยังนะสัปดาห์นึงสัปดาห์ก็ก็ก็ก็ถอยขึ้นขึ้นผมกิผมสังเกตว่าเหมือนกับถ้าเราได้นั่งสมาธิเยอะแล้ั้นก็ความสงบความนิ่งความไม่ไม่ตามไอ้เงาของจิตก็จะก็จะดีขึ้นครับได้นี่ก็พยายามปฏิบัติให้มากขึ้นครับอะครับขอบคุณ อคุณแนนต่อแนนจากคุณดอท่านี้ค่ะกลับมาสักการ์พระอาจารย์วันนี้ไม่มีคําถามค่ะคุณประวิทยาร <c oughs> สุขเับมาสการ์กับพระอาจารย์เป็นยังไงบ้างโอก็ดีครับได้อ่านคำถามคําตอบพระอาจารย์จบทุกวันก็ดีใจครับที่ได้ทำํำแล้วก็ท่า น, นเขาขอบใจเขาทราบเพราะว่าเราจัดการให้ โอ้ยเขาจัดจัดหนักเลยครับพระอาจารย์อ่านแทบไม่ทันเลยแต่ดีครับดีครับก็ก็ติดตามคําถามคําตอบของพระอาจารย์ตลอดครับแล้วก็ก็เป็นสิ่งดีอันหนึ่งที่ที่ผมได้คือพอถึงวันพุธผมก็พยายามตื่นตีห้ามาทําจงกรมสมาธิให้เรียบร้อยแล้วก็มานับรับฟังพระอาจารย์ต่อก็มารับช่วงนี้มันก็ทําให้จิตใจสบายดีครับ เคนําเข้ามาติดตามทางด้านภาษาอังกฤษบ้างไหมคืนวันอังคารก็มีภาษาอังกฤษอยู่คืนึ้นอวันตอนตอนเช้าวันอังคารก็ก็มีกิจกรรมเหมือมม น, นกันครับผมก็มีกิจกรรมผมอกับทางทางนี้เหมือนกันครับใครก็ดูยอด้อนหนลังได้เพือยากจะเข้าไปดูว่าครับครับอันนั้นอันอันเห็นแล้วครับเปิดเปิดต้องไปเปิดเข้าไปผ้าจาย์เสร็จแล้วก็เปิดย้อนหลังดูทางภาษาอังกฤษครับเพราะที่ที่ดารั์นี้ของเราก็ เคยสอนภาภาษาอังกฤษให้กับพวกคนฝลังอยู่อของหลวงพ่อครับคือเราเปิดให้ฝรั่งเข้ามาเรียนแล้วเราก็สอนเขาก็ก็ก็เคยได้ยินมาตลอดครับก็เลยแต่ว่ามันไม่แ น, แน่นเท่ากับภาคภาษาไทยครับภาษาไทยมันระษาเรเข้าใจได้ง่ากว่าการแปลได้ตรงตัวกว่าแล้วก็เข้าใจได้ลึกซึ้งกว่าครับพระอาจารย์ ตอนนี้ก็เลยบอกว่าไม่ไม่ค่อยค่อยสนใจทางภาคภาษาอังกฤษเท่าไหร่ก็เลยจะให้มันลึกซึ้งจริงๆมันอยู่ที่จิตเราเราเข้าเข้าใจคำที่พระอาจารย์พูดพระอาจารย์สอนมาแล้วเรามาปฏิบัติอันไหนที่ติดหรือคนคนอื่นก็ถามมาในข้อเดียวที่เราสงสัยเราก็เอามาปฏิบัติให้มันดีขึ้นนะฮะใช่ การได้ได้ฟังก็ได้ฟัญหาของคนอื่นก็อาจจะเป็นเป็นการบอกเราลูกหน้าก็าเกิดเราเจอปัญหาแบบนี้เราจะได้รู้วิธีครับอันนั้นเป็นเป็นสิ่งที่ดีมากครับที่ว่าเมื่อเรารับฟังเยอะๆแล้วเรานอนเข้ามาหาใจเราครับว่าไอ้ mm hmm. สิ่งที่เราทาผิดน่ะคืออะไรแล้วเรายอมรับในสิ่งนั้นเราแก้ไขปัญหามันไม่ได้อยู่ที่คนอื่นมันอยู่ที่เราว่าเรายอมรับหรือเปล่าเท่านั้นเอง ใช่ยามหยุดยามยามหยุดแล้วก็เย็นสบายครับเมื่อเมื่อทําได้ขนาดนั้นแล้วกิจมันก็จะสบายขึ้นครับแล้วก็มันจะเกี่ยวข้องกับครอบครัวทุ ก, กทุกอย่างมันก็จะดีไปเองครับท่านพระอาจารย์ <Hey. Okay. S 2> ไม่ไม่มีครับต้องขอบอกถามถึงคุณสุภัตาคุณสุภัตาเขาอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงจากผมไปครับเขาอยู่ทางอีท คือดาร์ลัตปดเวิร์สที่มันก็ใหญ่เหมือนกับกรุงเทพเหมือนกรุงเทพสมัยก่อนห้าสิบปีครับครับเหมือนห้าสิบปีก่อนของกรุงเทพก็คือมีกรุงมีุมีทนบุรีมีกรุงเทพมีนนทบุรีมารวมกันความใหญ่โตของดาร์ลัตปดเวิร์สมันใหญ่ขนาดนั้นครับถ้ากับกรุงเทพสมัยห้าสิบปีก่อนที่ว่าสุดรู้สุดตาครับก็ไม่มีอะไรครับมาขอกราบอนุการพระอาจารย์ครับมารับฟังครับ อ่าเอ่าคนเกตตาคนเกตขันนมัสการกับอาจารย์ว่าที่แสดยว่าจบรอดอนต้อจบเมื่อไ ร, ร, ออรครับ ร, รอดอนครับอาจารย์รอรอปีห้าครับอืมก็ลําดานี้ก็ปฏิบัติได้น้อยครับเพราะว่ามีงานต้องทำโอ t เยอะเหมือนกันครับจริงๆอาจจะไม่ใช่โอทีด้วยครับอาจมันเป็นงานที่มันชุ ก, กครับงานที่หัวหน้าอยากให้ช่วยทําอืม ครับแล้วก็เมื่อวันจันท์ก็ได้ไปช่วยงานมหาทานของหลวงพ่ออารมณ์กดครับที่สนามสุขคนเยอะมากครับครับมีคนชอบทําบุญทําทานเนี่ยมากใช่ครับก็มีคนมามีมีคนออกลงทานเยอะอยู่ครับแล้วก็คนก็มาทําบุญทํามหาทานก็ได้ประมาณสักสี่แสนก็กว่ามั้งครับอืแล้วก็มีฟรีคนเสริมมีดาราอะไรเงี้ยมาช่วยครับ แต่ตัวเองไปทาไปช่วยรับเด็กนักเรียนมาที่มาม า, มางานครับก็เลยไม่ได้เที่ยวในงานครับก็ดีงานการกุศร์เป็นการปลุกระดมให้คนมีความใจรวามเมตตากรุณ า, าต่อกันครับก็มหาทานวัดวัดประปาดำภูสามสิบปีครับก็ทำไปก็พยายามมีกำหนดสติไปแล้วก็อุเบกขาครับพยายามไม่แบบไปโกรธใครอะไรเงี้ยครับ ก, ก็ทำหน้าที่ไปครับราอาจารย์ครับไม่มีคำถามมาป้าอาจารย์ไที่คนนิสาัคุณนิสสัจากเอเอใช่ไหมลอสแอนเจลิสค่ะาการสวัสดีค่รปะกาผ่านกับแล้วรับการพราอาจารย์ค่ะได้ยินไหมคะได้ยินชัดเจนค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะมาก็ต้องมากราบพราอาจารย์เพื่อเวลาสังเกตว่าหลังจากที่เข้ามาซูมอะค่ะ ก็หลังจากนั้นก็จะนั่งปฏิบัติเลยแล้วรู้สึกแบบดีมากๆค่ะรู้สึกแบบจิตสงบนั่งได้นานมากขึ้นก็เข้ามาขอกำลังจากพระอาจารย์ค่ะตอนนี้ก็เป็นตอนเช้าวันนี้ประมาณชช้าใช่ไใช่ค่ะเจ็ดโมงค่ะเจ็ดโมงค่ะค่ะค่ะก็อาทิตย์ที่ผ่านมารู้สึกว่าออกไป พบปะผู้คนแล้วทำให้จิตใจกระเพื่อม น, นะคะพระอาจารย์รู้สึกมีความรู้สึกว่ามไม่ค่อยอยากเจอใครอะคะ่ะมันมันทำให้แบบบางทีเราฟุ้งซ่านอะคะ่ะใช่ทำให้ใจแล้วุ่นวายอยู่ยคนเดียวได้ดีกว่าวใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่ามันก็ยากอะคะ่ะ <c> ก <oughs> ็เวลาอยู่กับใครก็ต้องฝึกสติไปด้วย ค่ะมีอะไรคอยพุโทโธพุโทโธรไปภายในใจเขาพูดะอะไรเขาว่าอะไรก็พุโทโธพุทธโทไปค่ะอาจารย์คะพระอาจารย์คะแล้วเวลาเราแบบบางทีเราพุโทโธพุโทโธในขณะที่เรานั่งสมาธิแต่ว่าบางครั้งมันมันเหมือนมันเอาไม่อยู่บางทีเราต้องใช้แบบปัญญานิดหนึ่งได้ไ้ยคะหมายถึงแบบบางทีเราอ๋อค่ะก็คือที่เรียกว่าปัปญญาสามสิบสองก็ได้ถ้าพุโทโธ<อ>รคำเดียวไม่อยู่ก็ ผมขนเล็บฟันหนังน้าเอ็นกรดกไปทำาชื่อสราอาการาบางทีก็สวดมนต์บ้างได้ได้ได้ค่ะถวดอิติปิโสไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ได้ไดใช่ไหมคะววถวเรื่องหน้ารู้สึกว่ามันสงบแล้วคลายตับมาดูลงต่อไม่พูดโต๊ะต่อค่ะแล้วแล้วถ้ามันมีความรู้สึกว่าตอนนี้คือแบบกิเลสเรื่องเรื่องแบบเราไม่สาเรื่องเกี่ยวกับตัวเองนะคะัก คือรักตัวตนมากๆอย่างเงี้ยมันเป็นกิเลส ท, ที่ที่รู้สึกว่ามันต่อสู้ยากมากเลยค่ะพระอาจารย์ก็ลองถามว่ารักตัวตนรักตัวตนอยู่ตรงไหนอ่ะอ๋อค่ะาบางทีมันก็คิดได้อ่ะค่ะคือคิดคิดได้ใช้ปัญญาคิดแต่ว่ามันไม่อยู่นา น, นะคะเดี๋ยวก็มาอีกละแสดงว่ากําลังเรานี่ไม่ไ ม, ไม่ไม่พอใช่ไหมคะสติสติไม่มากมันไหนต้องฝึกสตินั่นให้มันเข้าสมาที่ให้ได้ แล้วตัวตัวตอนมันจะลดน้อยลงไปค่ะค่ะอ๋อมีคําถามนึงอะคะ่ะพระอาจารย์ถ้าถ้าเรารู้สึกว่าแบบเกิดเราอยากจะเป็นชาติหน้าถ้าเราไม่อยากเป็นเกิดมาเป็นผู้หญิงแล้วอะคะ่ะเราอยากเปิดเป็นผู้ชายเพื่อเราจะได้บวชเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงอะคะหรือว่าถ้าเราเป็นผู้หญิงนี่เราจะต้องเป็นผู้หญิงไปทุกๆชาติเหรอคะออไม่หรอกเราก็เปลี่ยนนิสัยน้องอผู้หญิงเป็นมาเป็นนิสัยของผู้ชาย ชอบของทรหดอดทนบุกบุบุญอะไรของกลวยครวนนวยน้าอะไรเี<อ>้ยอย่างที่พวกที่ทําเนี่ยพวกทำเนี่ยเขาก็เขา ก, เขาก็เพิ่มเปลี่ยนมาจากผู้หญิ ง, งมาเป็นผู้ชายแต่ยังทําให้ครบร้อยไงเขาก็เลยได้ครึ่งเดียวกายเขาก็เริ่มเป็นผู้ชายแล้วแต่ร่างกายก็ยังเป็นผู้หญิงอยู่อแต่ถ้าเปลี่ยนไปเรื่อยๆต่อไปเปลี่ยนทิศสายไปเรื่อยๆต่อไปก็จะได้ร่างกายของผู้ชายค่ะ คือจิตมันมีความรู้สึกว่าเราอยากเป็นผู้ชายเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะบวชอะคะ่ะความที่ผู้หญิงก็บวชได้ไม่จำเป็นจะต้องผู้ชายาบวชได้เหมือนกันไม่จาเป็นถ้าอยากจะปฏิบัติธรรมนี่ผู้หญิงก็ปฏิบัติได้ผู้ชายก็ปฏิบัติได้อ๋อยู่ที่ว่าเรามีกําลังจะปปฏิบัติตามคำสอนพระเจ้าหรือเป่าถ้าอยากจะเป็นจะเป็นภิกษุณีก็ไปอ่านวินัยของภิกษุณีดเนีย่ย สามชิ้นสามน้อยสามิ้นหนึ่งข้าดูเชื่อว่าเราลองปฏิบัติตามได้ค่ะแล้วถ้าเราค่ะถ้าเราเราคิดว่าถ้าชาตินี้เราสมเราอาจจะแบบยังไม่ถึงมันยังบรรลุไม่ถึงอย่างเงี้ยค่ะแป้วทำต่อได้ทําต่อได้ใช่ไหมคะแล้วเราอยากจะเราอกจะเนี่ยจิตมันอยากจะคิดว่าถ้าเราอยากจะทําต่อเนี่ยเราอยากจะเป็นผู้ชายคือไปถึงว่าเราจะ แต่ต้องนิตมันไม่ไปเพศหรอกจิตมันเป็นเหมือนกันจ็ตหญิงจิตชายเหมือนกันการที่มันเป็นหญิงเป็นชายอยู่ที่ความชอบอยู่ที่นิสัยถ้าเราคิดอย่างนี้มเราไม่ไม่ไม่เป็นกิเลสที่ผิดใช่ไหมคะคือไม่ผิดแต่ว่ามันก็เป็นกิเลสที่มันจะหลอกให้เราเสียเวลาไปทําของที่มันยากป่ะของที่ง่ายการได้บ้างผนที่ผานี่มันง่ายกว่าการเปลี่ยนเพศนะอ๋อเขะก็ใช่ค่ะ ค่ะหมายถึงหมายถึงว่าถ้าเกิดเราคิดว่าแบบถ้าเราไม่ถ้าเราจะคิดว่าชาตินี้เราเราปฏิบัติไม่ได้อย่างเงี้ยเราเราอยากจะอยากจะปฏิบัติต่อไปชาติหน้านี้เราไม่ผิดใช่ไหมคะไม่ใช่ผิดเลยไม่ผิดไ ม, ไม่ไม่ใช่ผิดเลยนะเพียงแต่ว่ามันมันมันมันเป็นสิ่งที่ที่ถูกต้องนะการที่เราอยากจะปฏิบัติเนี้ยเป็นเป็นธรรมเป็นค่ะมันจะเป็นผิค่ะ ถ้าอยากจะริ่าอยากรวยเนี่ยอยากสวยอย่างงามเนี่ยเป็นเชิตค่ะก็ตอนนี้ก็ปฏิบัติอยู่เรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ไม่ต้องไปแปลงเพศอะเพื่อจะฆ่าเชื้อสร้นรตัวให้ได้ฆบรรลุผลบรรลบัพผลนิพพานนะฆ่าความโวความกูดความหลมซึ่งไม่จะเป็นจะต้องเป็นผู้ชายถึงจะฆ่านะผู้หญิงก็ค่าได้ค่ะ ค่ะโดยสีลธรรมาที่ปัญญาันตัวนี้ค่ะตอนนี้มันรู้สือมันมุก ม, มันเวียนมันคิดอยู่เรื่องนี้ตลอดก็เลยรู้สึกแบบเอเอเพราะไม่เข้าใจเพราเราคิดว่าเก้วจะต้องมีสัมผค่ะตอนนี้เข้าใจแล้วคะ่ะก็จะแบบมันจะได้หลุดตรงนี้ไปอ่ะคะ่ะมีแม่ชีที่บรรลุ ก, ก็มีนะเราไม่อ่านประวัติแม่ชีแก้วเลยแม่ชีแก้วใช่ค่ะแม่แก้วท่านก็ขอเขาศรนลวงท่านก็ ท่านก็เป็นผู้หญิงท่านก็ไม่ได้บวชท่านก็ไม่ได้บวชชีด้วยซ้ำแม้ท่านถือศีลแปดเท่านั้นเองค่ะนํางคนเสิร์อยู่เลยก็ดเขาชนตรงนั้นเป็นแม่ชีแก้วเนี่ยค่ะแล้วไปท่านลาสังขารไปแล้วใช่ไหมคะใช่แต่รู้สึกจลาบนานแล้วใช่ไหมคะคงไม่นานสักสิบปีได้มั้ยสิบปค่ะเราไปว่าอ่านประวัติของท่านเหล่านี้ดูก็ได้ถ้ามีคําสอนมีประวัติค่ะไม่จําเป็นจะต้องแปลเพศหรือ ยากยากก่อนเ่นข้ากี่เลยข้ากิเสสาตัวง่ายก่อนไปแปลงเพศค่ะพยโยนต้องเปลี่ยนทิศทางไงต้องเป็นทารุณบุต้องชอบชบมวยชอบเตะต่อยอะไรเงี้ยอืมค่ะไม่ใช่เป็นของง่ายค่ะต้องใช้เวลาอาจารย์เราไปเอาไปสมัครไปเป็นทหารก่อนถ้าอยากจะเป็นผู้ชายไปทําสิ่งที่ผู้ชายก็ทํากันนะค่ะ ใช่ไหมก็ที่บริการนี้มีผู้หญิงเยอะยังไม่ที่ชาบไปทำในของที่ผู้ชายทํำนะใช่ค่ะไปสมัครเป็นตำรวจเป็นทหารใช่ค่ะนั่นแหละก็พวกนี้ก็จะไปเป็นผู้ชายต่อไปพระอาจารย์คะแล้วตอนที่พระอาจารย์แบบพระอาจารย์เคยอ่านพระอาจารย์ออดข้าวต้องเก้าวันนะคะไม่หิวเหรอหิแต่มันก็ใช้สมาธิช่วยไงเวลาหิวก็เข้าสมาธิไปโอ้หมันก็ไม่หิว คือความ <Sure. S 1> หิวร่างกายมันมันมันเพียงสิบหนึ่งในสิบดันั้นความหิวที่มันรุนแรงก็คือความหิวของกิเลสความอยากกินพอนเราเข้าสมาธิความหิวของกิเลสนั่งนั่งนังไปความหิวของร่างกายมันก็เหลือแค่หนึ่งในสิบเท่านั้นมันก็เลยไม่รู้สึกทรมาร์ดอะไรถ้าเรามีสมาธิอยู่เรื่อยๆเข้าสมาธิได้อยู่เรื่อยๆแล้าไม่เข้าสมาธิทนไม่ได้หรอวันเดียวก็อยู่ทนไม่ได้แล้วใช่ค่ะ มันหิวมันมันหิวที่ใจมมนไม่ได้หิวที่ร่างกายคะ่ะแม่ค่ะก็คือมันคิดแต่คือกลัวกลัวกลัวกลัวกลัวแต่ว่าแบบเดี๋ยวมันจะไม่สบายแบบอยากจะรอแม่เหรอมันจะเจ้าตั้งสี่สิบเก้าวันยังไม่ตายค่ะเนี่ยค่ะเป็นเพราะว่าห่วงตัวเองค่ะรักตัวเองว่าแบบเดี๋ยวจะไม่สบายเดียยเเด๋ยวจะนู่นเดี๋ยวจะนี่เดี๋ยวจะบแบบเดี๋ยวจะเป็นโรคนูน่โนโรคนี่อย่างเงี้ยค่ะมันเลยรู้สึกแบบ รักตัวตนรักตัวตนตอนเนี้ยไม่ชอบตรงนี้เลยค่ะต้องพิจารณาเรื่องพระเจาสอนว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาค่ะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามดูแลร่างกายดีขนาดไหนก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันเลยค่ะคือมันก็รู้ค่ะตอนมันแต่ว่ามันชอบแบบมันมันลู้มันมันไม่ลู้มันอยู่ไม่นานลืมใช่ค่ะมันลืมคิดแบบ น้องคิดอยู่เรื่อยๆทั้งวันเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเกิมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาเท่องไปเรื่อยๆให้มันฝังอยู่ในใจกันค่ะท่องตอนตอนนั่งตอนนั่งสมาธิท่องแบบนี้ได้ไหมคะได้แล้วเวลาไม่ทํำสมาธิก็ทําได้ตอนอ๋อค่ะอต้องไปทั้งวันให้มันฝังอยู่ในใจไม่ให้มันลืมมันสืบคูณไปค่ะแล้วต่อไปมันได้ความกลัวเจ็บตายมันจน้อยลงไปเยอะเลยอ๋อค่ะ นะค่ะใช่สาธุค่ะกลับนมัสการกลับขอบคุณพระอาจารย์ค่ะอสาธุไอ้ที่กูนิ่งกลับคุณนิ่งอยู่พัทยาหายไปหลายอาทิตย์ไม่เข้ามาแต่มาที่วัดอยู่ค่ะกลับนมรสการพระอาจารย์ค่ะหายไปหลายอาทิตย์เลยพอดีว่าติดธุระนิดนึงค่ะแม่ไม่สบายด้วยแล้วก็ครับผ่าตัด แล้วก็มีงานด้วยนะคะพระอาจารย์แต่ก็ไปที่วัดฟังพระอาจารย์บ่อยๆอยู่แล้วครับช่วงนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองจะไม่ค่อยมีสติเท่าไหระคะ่ครับพระอาจารย์ ท, ทั้งที่แบบว่าท่องพุทโธพุทโธก็ยังแบบหลุดบ้างอันนี้คือไม่มีสติใช่ไหมครับพระอาจารย์แ่าไม่ทําอย่างต่อเ น, นื่องทำหยุ ด, <อ>ยดมันก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยมีกําลังมันก็เลยเพอ่มันดืมดืมใช่ไหมครับพระอาจารย์ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็นั่งสมาธิเนี่ยว่านั่งไม่ได้นานแต่ว่าสวมดมนตะ์เนี่ยสวดได้นานค่ะพระอาจารย์นนกด็ดีก็ดีก็ยังดีอยู่ใช่ไหมคร<ต>ับพระอาจารย์ก็ลองสวดมนต์ให้สวดมุนเสร็จแล้วก็นั่งต่อเลยค่ะอยายเพิ่ม<น>เลิกพอสวดมุนเสร็จที่อยากเพ่มเลินั่งดูนั่งสมาธิตอนอาจจะนั่งได้ดีกว่าตอนที่ไม่ได้สวดค่ะพระอาจารย์ ถ้างั้นก็ถ้าสวดเสร็จแล้วก็ลองนั่งสมาธิได้้นั่งต่ออะไรมันเพราะว่าจิตมันเริ่มเข้าที่แล้วเนี่มันเริ่มสงบแล้วันเพเริ่มนั่งดูลมต่อไปก็ได้แล้วนั่งอยู่พุโทโธไปก็ได้ครับอ า, าจารย์แต่ว่าจะจะเหมือนกับว่าสติอาจจะขาดตอนที่ช่วงกําลังกจะทํางานเหมือนใจพวกลงกับอะไรหลายอย่างอยู่อันนี้ก็รู้ตัวอยู่นะครพะอาจารย์ว่า เอาไปอีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยครับพระอาจารย์ก<อ>็ต้องวาเข้าวแมมันอยู่ของงานที่เราทําให้ได้หรือใช้พูดโทพ้พพูดโทพูดโทเ้เดิกลับมาค่ะค่ะพระอาจารย์บางทีก็คือแต่รู้รู้รู้สึกว่าใจของเราอ่ะมันเหมือนกับว่ามันเบาขึ้นมากนะคะพระอาจารย์เวลาที่เราเจออะไรกระทบคําพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แบบมันเหมือนอื่นๆแบบไม่รับรู้อะไรเลยอะครับพระอาจารย์ ว่าจะมีสติมากขึ้นมีโอเบามากขึ้นเค่ะอันนี้ก็คือมีสติ ม, สตมีโอเบกขามากขึ้นนะคสติมันจะทําให้ใจมีโอเบคขาเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆค่ะยังรู้ง่ายไปรู้สึกอะไรเลยอ่าอืมไม่ไม่ไม่รู้สึกว่าคําคพูดที่มันแร ง, แรงๆหรืออะไรอีกมาก็กสะเทือนใจเหมือนเมื่อก่อนค่ะใช่ค่ะไม่สะเทือนใจแบบเฉยเฉยเฉยเจน จนเขาบอกว่าเอาทำไมเฉยๆเราก็บอกว่าก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอในประมาณนี้ค่ะพระอาจารย์ใช่ครับอันนี้ก็เป็นผลจากการเจริญสติอยู่เลยค่ะค่ะค่ะแล้วก็น้อมนำเอาคําสอนของพระอาจารย์ที่ไปฟังเรื่อยๆนะคะได้ทีละนิดทีละหน่อยอก็เอามาพิจารณาดูว่าอันนี้มันใช่หรือเปล่าอันนี้มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมพอเราโน้ค่ะว่าต้องมาพิสูจน์ด้ว ย, วยต้องออกไปปฏิบัติดยด้วยค่ะพระอาจารย์อันนี้ก็จะ แอคิดว่าปฏิบัติไปเรื่อยๆนะคะพระอาจารย์เพราะว่ารู้สึกว่าแม่ก็จะสงบลงไปตามกับอ่ากับเราด้วยนะคะพระอาจารย์ถ้าเราสงบเขาก็สงบตามว่าเราแม่แบบกระตุ้นเขานะถ้าเราไม่สงบเดี๋ยวเขาก็ไม่สงบครับพระอาจารย์จริงๆครับพระอาจารย์เพราะว่าเห็นเลยว่าโอ้ถ้าเราสงบแล้วก็แม่ก็ไม่ไม่อะไระมากพระอาจารย์เพียงแค่ว่า แม่เขาจะไปห่วงคนอื่นซะมากกว่านะคะพระอาจารย์แต่ก็ไม่เป็นเข้าใจตรงนี้ค่อาจารย์ก็ออพยายามออทำตามที่พระอาจารย์บอกว่าดูแลตามอัธภาพนะคะออค่ะกนะ็ค่ไม่มีอะไรมากค่ะพระอาจารย์ก็จะปฏิบัติต่อไปครัคพระอาจารย์แต่สตคุณชัยนิตชัยนิ ด, นนดหน่อยหน่อย กล่าวนามาสการพระอาจารย์ค่ะวันนี้ไม่มีคําถามค่ะเข้ามาร่วมฟังธรรมค่ะเข้ามาเลย น, นะคุณเข้ามาเ <d> ข้ามารอบหนึ่งแล้ค่ะพอดีอติดติดสายผู้ปกครองก็เลยอ่มาอีกรอบเจ้าค่ ะ, อะนอได้เป็นไหมะพระาจารย์เจ้าค่ะอ <d> ๋อถามนิดนึงได้ไหมคะพอดีตอนนอนหลับไม่รู้ว่าตัวเองหายใจเข้าหรือหายใจออกนะคะ เราไม่รู้แบบเวลาหลับไม่ไม่ไม่ไม่มีสติร่ำรู้อะไรนะเวลาหลับยังไม่รู้หลับตอนไหนนลเจ้าค่ะไม่เป็นไรนี่เป็นเรื่องปกติธรรมดาเจ้าค่ะขอให้ดูตอนที่เราไม่หลับแล้วกันนะต้องรู้ไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียสติได้เจ้าค่ะไม่มีอะไรละค่ะโอเคคราวนี้นะค่ะไปที่เฟซบุ๊กต่อเลยเฟซบุ๊กมีคําถามอะไรบ้างคุณนะ มีคำถามจากทาง Facebook และ YouTube ทั้งหมดเจดคำถามค่ะคำถามแรกจากคุณนาวานาวีหนูปฏิบัติทานศีลภาวนามาหลายปีหนูสามารถลดละความห่วงเงินห่วงข้าวของห่วงความรู้ห่วงที่อยู่อาศัยให้ลดลงได้ให้คนที่ไม่ชอบก็ได้ให้โดยไม่ลำเอียงรู้สึกเป็นสุขขึ้นมากค่ะ แต่เรื่องตัดความห่วงคู่ครองทำไมทำยากยิ่งกว่าคะ่ะพระอาจารย์คู่ครองเป็นคนดีถอือศีลห้าซื่อสัตย์แต่ก็ยังวิตกกังวลว่าเขาจะไปชอบไปสนใจคนอื่นอยู่คะ่ะจิตยังถือมั่นในเรื่องนี้อยู่มากหนูจะก้าวข้ามความทุกข์ใจนี้ได้อย่างไรต้องใช้อุบายแบบไหนขอพระอาจารย์เมตตาแนะนำสั่งสอนหนูด้วยนะคะ เราเราก็ต้องพิจารณาว่าเขาเป็นขงไม่เที่ยงแน่นเที่ยงแท้แน่นอนวันในวันหนึ่งเขาก็อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้หรือขาอาจจะจากเราไปก็ได้เนี่ยแล้วเราเตรียมตัวเตรียมใจรับกับสภาพของการเปลี่ยนแปลงเช่นเราก็ไม่รู้จะเปลี่ยนไปในทางไหนเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหรือเปลี่ยนไปในทางที่เลวลงหรือเปลี่ยนเปลี่ยนด้วยการจากกันก็ได้ดังนั้นขอให้เราคิดอย่างนี้ถ้าเราจะได้ ไม่ไม่ไปยึดเปผิดเขามากกันไปคำถามต่อไปมีสองคำถามจากคุณเด็กน้อยๆยกราบนมัมสการครับการภาวนาให้ผ่านเวทนาได้ส่วนใหญ่ต้องลองผิดลองถูกฝึกไปซ้ำๆหลายๆครั้งใช่ไหมครับก็แล้วแต่ละคนถ้าเข้าใจวิธีฟังคำสอนแล้ว เ, เอาไปปฏิบัติบาง ท, ทีก็ไม่ต้องลองผิดลองถูก เช่นถ้าใช้คําบริกรรมเวลาเกิดความเจ็บก็อย่าไปสนใจกับความเจ็บปล่อยมันเจ็บไปเราอยู่กับคําบริกรรมไปอันนี้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้แต่ถ้าอยากจะลองผิด้องถูกเองก็ต้องก็ลองดูคำถามที่สองของคุณเด็กน้อ ย, อยการภาวนาให้เก่งต้องฝึกทํำบ่อยๆเหมือนเล่นกีฬาก็ต้องซ้อมเยอะๆจึงยิ่งเก่งใช่ไหมครับใช่ถูกต้อง คำถามต่อไปจากคุณนาวอิสเบสการวิปัสสนาเพื่อให้จิตรู้และยอมรับว่าไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนแล้วจะยึดไปก็ไม่มีประโยชน์อยากรู้ว่าทำไมพญามารถึงอยากให้เราหลงในกิเลสให้เราอยู่ในวัฏฏสงสารไปเพื่อเอาเราไปทำประโยชน์อะไรครับมันไม่มีทำไมลนะมันเป็นธรรมชาติของกิเลสแบบนี้ เ่มันมันชอบของที่มันเป็นทุกข์เพราะมันไม่มีปัญญาอิเลคือความหลงความหลงทาไม่มองไม่เห็นใตรักถ้ามีปัญญามันก็จะเห็นใตรักถ้าไม่เห็นใตรักมันก็จะไม่มันก็จะไม่ยึดไม่จิตไม่อยากได้อะไรคาถามต่อไปจากคุณสุมนาเริ่มนั่งสมาธิต้องเริ่มต้นอย่างไรเจ้าคะ เรื่องที่สติก่อนปิดสติก่อ น, อนที่จะมานั่งตั้งแต่เช้าเช้าขึ้นมาก็ท่องพุโทโธพุทโธไปทั้งวันทั้งคืนทั้งวันจนกว่า จ, จะถึงเวลามานั่งก็พุโทโธต่อให้มันมีสติอย่างต่อเนื่องม่ให้มันไปคิดเรื่องนี้เรื่องนี้คำถามต่อไปจากคุณนิพนิอนขออนุญาตถามค่ะวิธีการแผ่บุญให้บุตรที่เสียชีวิตทําอย่างไรคะก็ต้องทําบุญก่อนะค ต้องทำบุญทำทานใส่บาตหนึ่บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลให้วัดกะไรที่หนก็นได้แล้วก็จะทำเสร็จแล้วก็เกิดความรู้สึ ก, กอิ่มใจสุขใจก็อุทิศความสุขใจอิ่มใจที่เรียกว่า บ, บ, บุญนี้ไปให้กับผู้ที่รองรับไปร่างได้ด้วยกรารระลึกถึงชื่อเขาเระลึกว่าข้าพเจ้าขอทิศบุญส่วนนี้ให้กับโลกคนนั้นคนนี้ชื่อนั้นชื่อนี้ไปถ้า ถ้าท่าอยู่ ใ, ใกล้ๆถ้ารับท้าเข้ามารับไปได้ในท่านแค่นี้ก็จบคำถามสุดท้ายจากคุณวิโมกราบนมัสการเจ้าค่ะดิฉันนั่งสมาธิในแนวเข้ากลางตัวและเห็นกายเราซ้อนเป็นชั้นๆไม่ทราบว่าตรงทางไหนคะตัวดิฉันเองยังไม่เห็นค่ะ ฟังแต่คนอื่นที่เห็นทีน่ต้องการสิ่งหลักค่ะเอวลานั่งสมาธิไม่ต้องการเห็นอะไรต้องการให้ใจว่างให้สง บ, บให้นิ่งนิ่งค่อยอยู่กับพุทโธพุทโ ธ, ธคําเดียวหรืออยู่กับลมหายใจเข้าออกไปครับหมดแล้วนะคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะคมีใครอยากจะถามอะไรไหมนี่ไม่มีจะได้เร่งเร็วหนวันนี้นะ โอเคนะที่ว่าเอาแค่นี้ก่อนนํสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านจงงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถอ